ก่อนที่จะในเข้าสู่ช่วงของคำถามคาตอบเนี่ยก็มาอทำอย่างเคยตามเนีของการเรียนในศาสนะเรามาสวานกบาลพิโรนครัเพื่อที่จะให้จิตมันเข้าไปอยู่ในมุมมองเดียวกันซะก่อนบางนีถามตอเนี่ยถ้าผู้ถามผู้ตอบผู้ร่วมอยู่ในห้องเดียวกันจิตไม่เหมือนกัน มีความแตกตา่างกันมากๆคนที่มันฝันมันไมรู้เรื่องแต่ถ้าหากว่าเริ่มต้นขึ้นมาจิตมองไปนในทางเดียวกันทางที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ให้มองนะอย่างนี้มันเหมืนพวบเดียวกันมันเป็นการระยาอนิจจ์สิ่งที่เห็นเป็นในทางเดียวกันก็คือเห็นว่าเริ่มหายใจที่ไม่เที่ยง ภาวาทั้งหลายทากายนะทางใจใอควาเพียรกายใจเนี่ยมันไม่เยี่ยงหมดถนะ้ใครมีความรู้สึกขึ้นมาว่าสภาวาทางกายทางใจไม่เที่ยงความรู้สึกนั้นเนี่ยนะมันจะโตมันจะเบาแล้วก็เป็นของจริงที่มันแผ่กระจายออกไปได้เวลานั่งสมาธิด้วยกันเนี่ยถนะ้า ได้ข้อสรุปอันเดียวกันมีมุมมองเดียวกันจริงๆกระแสจิตปืนเป็นกลมกลืนเป็นอันเดียวกันจริงๆเนี่ยจะรู้สึกเหมือนพร้อมจะคุยกันดีๆพร้อมจะเป็นเพื่อกนกันทันทีนี่แหละจรียกว่ากระแสะของยาติทำว่าเป็นญาตนี่ จ, จริงๆแล้วมันก็เริ่มจากการที่จิตมีความสมดุน ก, กัน เสมอการด้วยศรัทธาเสมอกา้ด้วยสีเสมอการ ด, ด้วยจาระเสมอการด้วยปัญญาอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่านขาดไ ป, เ, ไปเริ่มต้นขึ้นมาการทาสมาธิแบบที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่การตั้งใจทิ้งเอาทเอาคนส่วนใหญ่พอฟังคำว่าอานาบ า, า น, า น, านสัสพิได้นึกถึงการที่งเมือ่อายใจถ้ามีประสบการส่วนตัวนั่ง จ้องลมหายใจมาก่อนก็จะรู้สึกถึงความพึงพดเห็นอนอาบานสติเป็นภาระก้างทุกข์ก้างความพึงพัดออกมาจะไปโว่กันว่าอาานาบานสติไม่ใช่จริตของผมไม่ใช่จริตของดิสันมันไม่เหมาะมันไม่ใช่นิสัยมันไม่ใช่ความชอบใจแต่แตท้จริงแล้วเนี่ยก็คือทาให้ถูก มองไม่ถูกมองไม่เริ่มต้นขึ้นมาแล้วมองผิดแล้วเป็นบังคับเอาไป拉เอาลมหายใจเข้าไป้่นลมหายใจออกนั่นที่ยังไม่ถึงเวลาอาการบังคับอาการที่พยายามจะนะจังกรับคุม้มคาั่นให้มันหายไปนันเป็นความอยากล้วนๆแล้วความอยากเนี่ย มันไม่ได <jack leigh> ้สร้างความสุขมันไม่ได้สร้างความงบแต่มันสร้างความตึกนตรหนกสร้างควาบกระวนกระวายการเริ่มต้นที่ถูกนะก่อนที่จะเข้าสู่การฝึกอาณาบานสติเนี่ยควรสํารวจความพร้อมทางร่างกายเจ็บปอนต้องฟังต้องฟังฟัมให้เคยชินเลยนะถ้าไม่ชินถ้าไม่ชํานาญเนี่ยบางทีบอกไปครั้งเดียวเนี่ยลืม กลับไปก็เพ่งเอาเพ่งเอาอีกเนี่ยมาพักฟองกันบ่อยๆอย่างนี้ดีมันจับได้มันจะขึ้นใจมันจะปลายเป็นความสวยชินขึ้นบนมาเนี่ยสำรวจท้าก่อนฝ่าเท้านะมันมีอาการที่กล้ามเนื้อมันเกร็งอยู่ไหมมันมีอาการที่เท้ามันงุ้มอยู่ไหมถ้างุ้มอยู่หรือเกร็งอยู่เราต้องคลายออกก๊งวางต้งกับพื้นสบายสบาย มื่สบายขึ้นมาเราก็จะรู้สึกถึงความสบายที่พื้นผิวหนงใจตามไปด้วยเพราะว่าฝ่าเท้านี่เรื่องสะท้อนเลยนะสะท้อนว่าสภาพผิวมันกําลังมีอาการเกร็งอยู่หรือเปล่ามีอยการคุ้งข้ามจักอยู่หรือเปล่าถ้าคุ้งข้ามจับสังเกตได้เลยนะมีอาการเกร็งที่าเท้าทันทีแต่ถ้าหากว่าเราทำให้ฝ่าเท้าสบายมันก็ลายฝ่ามือข้ามลงบไปด้วย ขอให้คลายลงได้นานๆขอให้มีความรู้สึกเข้ามาที่่าเท้าเลยนันจะรู้สึกได้เองเลยว่าใจปล่อยผ่อนคลายตามไปด้วยจากนั้นไล่สำรวจขึ้นมาที่ฝามือถ้าหากว่าเราวางรากอยู่กับหน้าางแล้วเกิดความรู้สึกว่าฝ่ามือคลายทั้งหมด หายผอมไม่มีอาการกำไม่ได้อยู่ในอาการที่กล้ามเนื้อมันทํางานไม่ได้อยู่ในอาการที่นิ้วใดนิ้วหนึ่งมันมีอาการหงอกแต่วางรากทั้งหดววมดมันจะเป็นอาการเกี่ยวกับคามปล่อยวางก็ความรู้สึกปล่อยวางเนี่ยมันก็คือปล่อยนั่นแหละปล่อยมือปล่อยจากอาการกำไว้ปล่อยจากอาการยืดไว้อวัยวะที่ มันเป็นเครื่องหมายของการปล่อยวนันก็คือมือนี้เนี่ยอวัยวะที่เป็นเครื่องหมายของการกำการยึดการ่วงเนี่ยวไว้ก็คือมือนี้เนี่ยหากว่ามือมันอยู่ในสภาพแปกไม่กำไม่มีอาการทํางานของกล้ามเนือ้อนั่นก็จะรู้สึกถึงอาการปล่อยรู้สึกถึงอาการวางลง เนี่ยฝาเท้ามาฝ่ามือมันผ่อนคลายออกนะเราจะรู้สึกถึงบวามวา่าความจากการเกร็งว่างจากอาการกำจากนั้นไล่ขึ้นมาจุดสุดท้ายดูวนะ่าใบหน้าเนี่ยมันมีส่วนไใดส่วนหนึนน่งไหมที่กล้ามเนื้อมันยังทํางานอยู่ถ้ามันยังทํางานอยู่ว่าอาจจะเป็นอาการําขมวดบ้างอาการที่ทํขมับตึงบ้างอาการที่รู้สึกถึงกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งจะเป็น ช่วงกลางช่วงบางทีเนี่ยปวดฟันนะบางคนเครียดมากๆเนี่ยการปวดันโดยไม่รู้ตัวเรารู้สึกถึงอาการของบ้างเนื้อส่วนไหส่วนหนึ่งได้เราก็คลายออกพอคลายออกทั้งหมดเนี่ยฝ่าเท้าฝ่ามือแล้วก็ใบหน้าแน่ๆการเนื้อทั้งหมดในร่างกายจะผ่อนคลายตามไปด้วย ก็ว่าสามจุดหลักนี่แห ล, ละเท้ามือแลนะ้วก็ใบหน้าที่มันรวบรวมเอาการทํางานของบ้างเมือทั้งตัวไว้มันเชื่อมโยงกันแล้วสามจุดนี้ผ่อนคลายทั้งหมดร่างกายทั้งหมดก็จะผ่อนคลายตามแล้วจุดประสงค์ของเราไม่ได้แค่อยากให้ร่างกายผ่อนคลายเท่านนะั้นขอให้สังเกตดูว่าก็ไล่มาฮนะทําความรู้สึกมา จากฝ่าเท้าฝ่ามอือแล้วกนะ็ใบหน้ามันเกิดความรู้สึกว่ามีสติเข้ามาที่เนื้อที่ตัวมากขึ้นด้วยมันมีความรู้สึกว่าเออนี่กำลังนั่งอยู่ในท่านั่งเนี่ยเอเรียบทนั่งปรากฏต่อใจที่มันกําลังผ่อนต่ายสบายต้องฟังรู้สึกว่าเราเห็นถึงอาการนั่งเห็นท่านั่งเห็นเอเรียบทนั่งเนี่ย แต่ถามตัวเองง่ายๆว่ามันถึงเวลาที่ลมหายใจจะเข้ามาแล้วหรือยังถ้าถึงเวลาที่ลมหายใจจะเข้ามันจะมีความรู้สึกเรียบร้องออกมาจากทางกายว่าเออมันหิวนะมันรู้สึกขาดลมหายใจนะนตงนรงนั้นค่อยลากลมเข้าสบายๆในขณะก็คล้ององอกนิดนึง เพื่อที่ราคลมเข้ายาวขึ้นพอลมเข้ามาจนสุดเกิดความรู้สึกอึดอัดในอกพอผ่อนคลายออกสบายสบายผ่นคลายออกจนหมดนะแล้วรู้สึกถึงความล่อกรู้สึกถึง อ, อาการเราได้ยาบายความอืดออกมา เป็นกระทั look, look, look, look the the ่งลมออกมาจนสุดเนี่ยก็ให้ดูต่อว่าลมหายใจยังไม่ได้ต้องการที่จะเข้ามาสู่ลมเอ่อเข้ามาสู่ร่างกายทันทีทันใดจริงๆแล้วร่างกายสามารถอยู่ได้นิ่งๆโดยไม่ต้องมีลมหายใจเข้าออกไม่ได้อยู่ได้เพียงแต่เฉยๆรู้สึกสบายพความโล่งดีที่นิ่งดี อย่างนี้เนี่ยนะจะเรียกว่าเป็นการสังเกตธรรมชาติของกายไม่มีอาการเร่งรีบไม่มีอาการโกรกการบางาังคับนี่ในการรู้สึกว่าร่างกายมีอะไรที่ดูกระดูกพออยู่ในอาการที่กายมันมตัวเนี่ยเป็นผู้แสดง แล้วจีตเป็นผ kh ู้ดูอย่างเดียวทุกอย่างมันปรากฏชัดหมดปรากฏให้เห็นตามจริงปรากฏให้เกิดการรับรู้ว่าจิตเนี่ยเป็นแทนเกียงผู้ดูว่าลมหายใจมันพัดเข้าพัดออกพัดเข้าพัดออกพอพัดออกไปหมดเนี่ยมันก็จะอยูดสบายๆอยู่นิหนึ่งค่อยถึงเวลาที่ลมหายใจอยาลากเข้าใหม ที่เราเห็นการทำงานของธรมธรมชาติไม่ได้เกิดความรูสุดอยากจะทําให้ลมหายใจมันเข้าออกเร็วๆเพื่อที่จะได้สมาธิเร็วๆไม่ได้มีความอยากไม่ได้มีความโกรธระวายื่าเมื่ อ, อไรเนาะความจิตกงกา้นมันจะหายไปจากตัวเราสักทีเพราะการยิงว่า คำสงบคำกลมเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่มีความอยากแม้แต่ความอยากจะสงบมันมีความสงบอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วความอยากนี่แหละทำให้ไม่สมบไม่ว่าจะอยากข้างนอกหรืออยากข้างในพอความจริงแบบนี้นะเราก็จะเริ่มมีความสามารถเห็นความจริงที่เหลืออืน่นๆ แบบที่พระพุทธเจ้าชี้ให้มองพระพุทธเจ้าชี้ให้มองอะไรต่ออีกนั่นชี้ให้มองว่าตอมหายใจเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเนี่ยจริงๆแล้ว ม, มันอะไรซุดแต่นี่ยอันนีไม่ใช่อ่านเดียวกันเป็นโบราณกันเป็นแค่คลาดลมที่พัดเข้ามาแล้วพัดออกไปเข้ามาแล้วออกไปเข้ามาแล้วออกไปเหมือนกับลมที่พัดกิ่งไม้ใปหญาเี่ มันไม่มีลมไหนที่ที่สามารถจะเป็นลมเดียวกันได้มันพักมาแล้วลเลยเป็นหมดท้ายไปหมดเช่นอื่นเป็นหมดการที่ทอีกไม้ใบหญ้าจะไหวเองได้อีกคทางหนึ่งต้องอาศัย ล, ล, ะ ล, ะละมเธอรอบใหม่ไม่ใช่ลมเธอรอบเดิมที่หายไแล้วแต่ในวัฏาักรนั้นลมหายใจเข้าออกเนี่ยแต่ละครั้งที่จะเอาลมเข้าเนี่ยมันต้องเอาเข้าชุดใหม่ไม่ใช่ชุดเดิม แต่ที่ผ่านมาเนี่ยความเคยชินทําให้เราเกิดความรู้สึกไปว่าตลมหายใจเป็นของเราเรากําลังเป็นผู้หายใจอันนี้เปลี่ยนใหม่เลยพอมองการที่พระพุทธเจ้าชี้ให้มองมันไปถึงว่าตลมหายใจคนละชุดมันปฝากการเวียนข้าเวียนออกเวียนข้าวเวียนออกไม่เคยซ้ํากันเลยแห้ได้ชุดเดียว จิตผู้รู้ผู้ดูอ ย, อยู่ก็ไม่ใช่เป็นตัวเราที่กลังเป็นผู้ดูนี่มันเป็นแค่ธรรมชาติของธรรมชาติชนิดหนึ่งที่แตกต่างไปจากลมหายใจลมหายใจเนี่ยเป็นธาตุาัดไหวส่วนจิตเป็นธาตุรู้ธาตุพัดไหวเนี่ยมันมีหน้าที่แสดงให้ดูส่วรธาตุรู้มีหน้าที่เป็นผู้รู้ การที่จิตอยู่ในฐานะผู้รู้ผู้ดูเนี่ยมันสามารถเห็นชัดๆเลยว่าลมหายใจเดี๋ยวเข้าเดียวออกอยู่ตลอดเวลานี้นี่มันไม่เท่ากันบางทีร่างกายก็ต้องการลากลมเข้ายาวๆสบายๆแต่บางครั้งมันรู้สึกพอแล้วมันก็เข้าแค่สั้นๆ เป็นไปนานกว่ความเรียบร้องทางกายที่ไม่เหมือนเดิมในความรู้สึกที่เกิดขึ้นเน่ยนะมันจากเป็นตรงตามจินคือบางทีมันก็รู้สึกสดชื่นยาวๆสบายๆเวลาลากลมหายใจเข้ายาวคั้นละบายลมหายใจออกยาวๆก็รู้สึกผ่นคลาย น, นานๆผ่อนคลายระบายความดา น, นของ ยาวๆในบางครั้งลไหาใจตันเนี่ยมันก็รู้สึกว่าสติมันแผ่วลงรู้สึกว่าความสดชื่นมันเหลืออยู่นิดเดียวการที่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่ว่าลมเดี่ยวเข้าเดียวออกเดี่ยวยาวเดียวตันนี่ทำให้จิตมันพอยออกไปเป็นผู้ดูผู้สังเกตการ อย่ไว้ว่าทันทีที่จิตสามารถเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งสแสดงความไม่เที่ยงจิตจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวของมัน ท, ทันทีไม่ใช่ตัวของมันแน่ๆแต่กําลังสแสดงความไม่เที่ยงให้ดูอยู่แล้วมันจะเปลี่ยนผู้ดูนี่คือธรรมชาติของจิตเลยนี่คือการค้นพบนะค้นพบความจริงว่าเดิมทีเนี่ยเรายึดมั่นคือมั่นอยู่ ตัวยอย่างนาจอุปาทานคำว่าอุปาทานนี่ก็คือความยึดมันม่นถนะือมั่นนั่นแหละคือโซ่ตัวแรงยึดเหนี่ยวคือยางเหนียวถ้ายาง เ, เหนียวเนี่ยมันก็เป็นอันเดียวกับปัญหาอันเดีที่มีความพยายอ ย, า, อย า, ากอยากแลก็ด้วความเด็กใจด้วยความท่อง ต่อเมื่อเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายในภาวะของร่างกายหรือจิตใจในี้แสดงความไม่เที่ยงอยู่ไอ้ภาวะอุปาทานนั้นมันก็เหมือนกับจะลดระดับลงทันทีโดยอาการที่จิตขอยออกมาเป็นผู้ดูจิตขอยออมาเป็นผู้ดูเนี่ยจำไว้เลยนะว่าความรู้สึกยึดเหนี่ยมมันจะบางลงมันจะเหมือนรู้สึกว่าจิตมันโปร่งกล ง, ลงไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราหรือความรู้สึกเป็นตัวเราเนี่ยมันลดระดับลง จนแทบเหลือศูนย์นี่คือ ท, ทางวิชาทางกายทางใจที่เราค้นพบร่วมกันทางที่พรจะพุทธเจ้าสีหมอกเอาละ่ะเดี๋ยวเริต่ต้นเข้าสู่ช่วงของการถามตอบเลยนะเอาล่ะเสร็จชักดู Uh, mm hmm. จะสอบถามว่าสมมติ mm hmm. ว่าจะภาวนาต่อยอดสมมติว่านเย็นยมแบบนิดนิยมโอเคถ้า <Okay. S 1> จะพาวนาต่อยอด mm hmm. ตอนนี้คือผมจะทำไงต่อย mm hmm. ข้อแก้ไขไงอย่างน้อยชอบนี้ายไปหรืออะไรนิดตื่นเต้นบ้างครับโอกาสที่ได้เจอค น, นตื่นนิดน้อยว่า mm hmm. นีนตัวโปรขงติคบเป็ น, น, ป น, น, นิ่งีนะแต่ว่าพอวิเ่เคยชินไปนะมันบางทีมันรู้กระทได้มันมตรู้กบรู้สึกมันบมันคมแต่มันหนกัก เริ่มรู้สึกว่าพอตัวเราไปมันชิ่นชินิ่น น, น, นี่คือถ้าจะเอาไปเจริญสมาิต่อยเอนี่ยนะบางทีมันมันสวนทางกันนะว่าเราปฏิบตัติได้แล้วบางทีเรื่องทางโลกมันก็เราควรติตใจก่อนควรคือมองมองที่เห็นว่า เรตัวใ น, นโลกเนี่ยถ้ามันเข้าถึงใจที่รู้สึกว่างของเราไม่ได้มันก็จะเป็นแง่เช่นที่มาแสดงให้ดูไม่ใช่เิ่นที่มันมาลดทวนิตใจนี่จริงเนี่พอตัวจิตใจเราได้เยมันมีความเศร้าหมองเหมือนกับว่าพอ เ, เริญสติปุ๊บเออมันสว่างแต่พอใจไปอยู่ว่าเรื่องโลโลปุ๊บมันเศ้าหมอง ปวคิดมากไม่ได้คือจริงๆเ น, าานี่ยอาการปวไม่ได้เนี่ยนเพร า, ราะว่มาวมันทิ้งเนียังยึดอยู่ว่ายังไงยังไงก็เรื่องของเรายังไงยังไงเราก็ควรจะมีส่วนต้องเข้าไปเก็บกล้องทําอะไรให้มันดีขึ้นจะทำจะเรื่องการงานหรือส่วนตัวอะก็แต่เนีมันมีความรู้สึกหนักขึ้นมาว่เนี่ยทิดไม่ได้ เราสังเกตว่าอะไรที่อาการทิ้งไม่นมันจะคล้ายๆคนกำลังาคภูใจเนี่ยเหมือนกับเรากำลังแบกอะไรอยู่แล้วลักษณะการแบกอะไรอยู่เนี่ยเราดูดูพอแล้วนะความเข้าใจก็มาแล้วพยายามแก้ปัญหาไปนอกแแต่มันก็ยังขึ้นๆอยู่มันมีลักษณะขึ้นๆนะลักษณะขึ้นๆตรงนั้นเนี่ยถ้าหากว่า เราไปดูมันยางอยวเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่เป็นอยู่นัมันมันจะไม่มีอะไรดีขึ้นแต่ทั้งนี้ยังก็ใส่ลงหายใจของมาช่วยเรากนิดนึงนะดูก่อนว่าตอนที่เรารู้สึกตึงๆ อ, อยู่เนี่ยหายใจเขา้าหรือหายใจออกจะได้จับเป็นตัวตั้งว่าไอความรู้สึกอึงๆตรงนั้นเนะี่ยเกิดขึ้นที่เราหายใจนี้ ก็ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรประมาณเพียงแต่ว่าลงหายใจต่อมาเราสังเกตรารสังเกตอีกครั้งหนึ่งให้ความรู้สึกคึืนลื่นตรงนั้นเนี่ยมันเบาลงหรือว่าหนักขึ้นหนักขึ้นรู้ว่าหนักขึ้นเราต้องตามจริถ้าเบาลงก็รู้ว่าเบาลงอย่างนี้มันมีเครื่องแก่ที่ผ่านมา ไปดูมันเฉยๆดูมันแบบจะเอาให้เอาให้เห็นไม่ได้มันแค่ๆเราจะเอาชนะว่าเออน่จะต้องสติกข้ามันไม่ได้แต่ในที่สุดมันก็มีวันมีวันมันก็เหมืนเดิมแหละเรามันไม่ีเคื่อแบ่ตัวตัวแบ่ปิให้เกิดการเปรียบเทียบว่าไอ้นี้มากไอ้นีน้อยอนีเบาเบาลงอนี้หนักขึ้นมันไม่มี ไปของมันเรื่อยๆงาเจริญสติของเรามันมันมันใช้ได้อยู่เล่าแต่ว่าเวลาที่เข้ามาเข้ามาใช้จริงเราคิดว่าเราน่าจะเห็นพอบุญง่ายๆนมันมันทำมาได้ขนาดนี้เนี่ยมันบูง่ายๆมันทำได้ในห้องทำได้ในสนามวิดดรอปปิ้งมันแต่มันไม่ไม่ได้ใน ถามชีวิต น, นที่จริงสวจพื้นทีเนี่ยลงทีมันมันจะมีเรื่องบางเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นมากหลาเปียปอยเสมอเป็นอะไรที่ตราผ่านมันอย่างคนคืออย่าว่าแต่เราที่เป็นชาวว่าธรรมดาแบบนี้บางทีพระบครูบาอาจารย์ที่เคยเล่าให้ฟังว่า ถ้ามีอะไรที่มันหนักจริงๆเนี่ยท่านก็เศ้าไปได้ถึงัดถ้าถ้าท่ายงไม่ใช่ปาหลานะต่อให้รูดงมาเป็นสิบิปีต่อให้ไม่รู้สึกรู้ษาอะไรแตโรกแล้วแต่พอมันมีมาปราบเตียนเข้ามาทุกคนต้มีเรื่องชีวิตเนี่ยจะต้องมีมาปราบเตียนที่ทำให้รู้สึกว่าผ่านไปไม่บนดินไปไม่ร้ แล้วก็ทำใจทำใจไม่ได้นี่แทนที่เราจะไปพยายามดูอาการเพิ่นขึ้นแบบมือปล่ามันสู้เจอได้วดยเปล่าแล้วก็อาศัยเครื่องุนแห่นิดนหนี่่งที่ผมว่าเนี่ยนะองไปดูน่าใจมั่นเงิน รับรู้ว่าเออมันอาการึ้งๆเนี่ยมาแค่ไหนเนี่ยอย่างเมื่ทีเนี่ยทไปด้วยเนี่ยก็จะแนะว่าเออพอโทรศัพทรู้สึกอาการอึงโดยมีลหายใจช่วยได้มันก็เห็นความไม่เที่ยงของอาการอึ้งๆได้เหมืนกันไม่ใช่ว่าเราจะพลาการรับชมความไม่เที่ยงของอาการอึๆไปมันก็ยังอยู่มันต้องไม่ได้ไปไหนไอ้อาการแสดงความไม่เที่ยง คืเราเหนอ้วกแล้วก็เวลาเจอติรู้สึกสว่างให้เอาไปตัวตั้งนว่าความรู้สึกแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกของผู้สมคิดมันต้องแปะไปันหนึ่งทุกครั้ง่จะเด เืมว่าเออเนี่ยเราทำมาได้ดีครับมันชอบมีตัวนี้บุกขึ้นมานั่นแหละพอเกิดความโทรมากเกิดความกระจางเกิดความแจ้งเกิดความหลงโล่งภาวะอะไรดีๆปรากฏขึ้นมาร้องกับภาษาในหัวว่าคือเราทําอะไรได้ดีแต่ถ้าทุกครั้งที่เกิดความสว่างเกิดความโล่งเกิดความสบายขึ้นมาเราเขีนเนี่ย แปะบ้ายมันแปะบ้ายมันไว้ว่านี่เขาเรียกอุสรจิตมันจะเริ่มดูเป็นจิตได้ตอนที่อยู่ในสภาะวะสมาธิหรือใกล้เคียงกับสมาธิเนี่ย น, นะถ้าหากว่าเราเรี่ศึกษาเราไม่ปล่อยนะเราไปทำความเขียนแต่ทำทำความเข็นาาเข้าไปตรงๆซะว่านี่เขาเรียกอุสรจิต ภาวะของกุศลจิตคือมีความสว่างคือมีความโล่งมีความสบายแล้วในเวลาต่อมามันเกิดความรู้สึกว่าความสว่างนั้นหายไปความโล่งหายไปกลายเป็นความเหนือนกครับแค่หรือกลายเป็นความรู้สึกเมื่อหมดหมดมื่อจะรู้สึกว่าที่จิตเปลี่ยนไปไม่ใช่ตัวเราทําได้แย่ลงไม่ใช่ว่าเราเคย ทำได้ดีแล้วเจ็มแล้วถัาเสร็จแล้วกลบับมาแยกใหม่มันจะมีนิยามที่แตกต่างไปอย่างสิ่นเชิงเลยนะในมุมมองของเราอย่าไปนะอย่ารู้สึกว่าเออไอนี่มันเป็นภาวะของจิตที่แสดงการเปลี่ยนแปลงไปแสดงความแตกต่างไปที่เห็นไม่ต้องไปดูหรอกไม่ต้องไปถามบอกว่ามันเริ่มเปลี่ยนไปตอนไหนแต่ขอให้ ร, รู้สึกก็แล้วกัน ว่านี้เนี่ยไม่ใช่จิตแบบเดิมที่เราเคยทํามาเวลาวันเนี่ยกุศลจิตไม่นโบราณไปละมันกลายเป็นอกุศลหรือกลายเป็นจิตธรรมดาธรรมดาแต่ว่ากุศลก็ไม่ใช่จะว่ากุศลก็ยังม ไ, มมย ไ, ม ไ, มไม่เฉลิมรู้แต่ว่บบามันมือในภาว่าี่จะแน่ไม่ถูกมันโม่โม่มอยู่จริงแล้วถ้าตามธรรมาเนี่ ให้จำแนกเลยนะถ้ามือปุ๊กเนี่ยจับเป็ น, นอุศน์จะเป็นอัคุศนเลยต้องสว่างเท่านั้นต้องโล่งทํานั้นต้องดีเท่านั้นมันถึงจะเป็นอุศนได้เราก็จะบอนที่เจอปิเห็นปิดใหม่ๆคนส่วนใหญ่จะรู้สึกแย่หายก็โหชีวิตทั้ชีวิตเนี่ยมันเหมือนแก่เป็นไปด้วยอัคคุศน หาดุสสนแทบไม่ได้เลยแต่พวกที่เจริญสติพวกที่นั่งปรมาณที่เดินตรงๆมันรู้สึกแต่เฉยขึ้นมาเมื่อมันมีมีภาวะที่เรียกว่าดุสสมีความสุกชุ่มชื่นสบายใจเกิดขึ้นมาบ่อยๆแต่ต่างจากตอนที่ยังไม่เจริญสติหรือยังพวกที่เปิดการทบุญ มันจะหลงใหลในทำไมบางคนเนี่ยชอบทำบุญถ้าเกิดคนที่ชอบแบบทุ่มเงินมาสารลงไปแบบบ้าบุญนะแต่หมายความ่ติดใจในการทำบุญก็เพราะว่าเอารู้สึกถึงชีวิตที่มันแตกต่างออกมาจากไปไหนมันมีความสงบมันมีความสบายใจมันมีความชุ่นชื่นแตกต่างจากความรู้สึกแห้งแล้งวันหน้าที่จะทำบุญบ่อยๆนี่มันก็กลายเป็นความติดติดใจ มันกแติด่เศติดแบบนั้นมันเลยยาวไม่มากแล้วยิ่งถ้าหากว่ามาสว่ามันจะเริ่มตติอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนพรเจ้านี้ัเสเนะโอเคมันติดอยู่แค่งนั้นแหละแต่ตรงนั้นถ้ดูมันก็สู้ไม่ได้มันมันสู้ไม่ได้แต่เราเห็นความเปลียแปลงของมันได้จะนีวา อ, อย่าไปแตอเนี้คนเราไปเจริญสตินเนี่ยนะลืมคำพูดวิปากเลยครับลืมคาว่าชาติก่อนชาตินี้ไปซะเหลือแต่ภาวะที่เป็นปัจจุบันไม่ได้ได้โผล่กลับขอก่อนมันจะมีไฟที่จะมันก็จะสู้กับมันมื้าที่บอกก็คือตอนนี้ก็ต้องมีไฟดูที่ลมหายใจคืออย่าไปอย่าไปจำที่ลมหายใจน ะ, ะแต่สังเกตว่า ไอ้ท <Cornell>. ี hmm. yo, ่รู้สึกหนักๆขึ้นเนี่ยนะมันอยู่ในลมหายใจไหนก่อนเนี่ยงรู้สึกอึ้งขึ้นมาเนี่ยสร้างความเคยจินใหม่ใจที่จะไปดูนะตรงๆเนี่ยะเราเออหายใจเข้าหรือหายใจออกอยูเสร็จแล้วในลมหายใจต่อมาเรากลับมาดูอีกทีเออนรู้สึกเหมือนก้อนอะไรมันบางๆลงไปเสแล้วดูอีกทีหนึ่งลมหายใจที่สามครานี้มันหายไปแล้ว ประเด็นก็คือพอเราหายใจหายใจไปเนี่ยสังเกตไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะเอาอะไรจากมันทั้งสิ้นเนี่ยานะแค่แค่ดูแค่เห็นอย่างเดียวสังเกตเปรียบเทียบอย่างเดียวเห้นจุดมันเห็นเห็นว่าไอ้ก้อนห น, นาๆนั้นมนขาดอีไอ้ก้อนที่ <S <S 1> <S 1> รู้สึกว่าอนี่ถ้าเกิดไม่มีปฏิบัติธรรมนี่ฆ่าโัวตายไปแล้วอะไรแบบเนี้นะมันมันรู้สึกทำไมนี่ขนาดจเจริญสติเหล่านั้นเนีะยที่ขนาดเราจเจริญ กุศลทรรมาได้สว่างขนาดนี้แล้วนั้นเนี่ยมันจะคิดมันจะผลิตความคิดพวกนี้ออกมาบางคแนแาจจะระดับต่เห็นความเศ้าชัดเจนมากเห็นเหมือนกับตัวเองเนี่ยกินตัวตายที่เจ็ดรอบนะมอนมีความรู้สึกว่าทุกที่มันกดทับอกอยู่เนี่ย ไม่หวจริงๆรู้สึกเหมือนกับว่ามับางทีพอพอเราเชื่อเรื่องกรรเรื่องที่บากเนี่ยนะแต่ผมมองไม่เห็นว่ามันคืออะไรมันเก็จะวนเวียนอยนี้ว่าเมื่มันเป็นที่บากเก่าเป็นอะไรที่เราเคยไปทหอะไรเข้ามาแต่ถ้าเขียนจริงๆนะนะมันจะเหมือนกับ อย่างที่เรุ่ยเจ้าใจการไม่เห็นที่มาที่ไปโดยการไม่รู้ว่าชาติก่อนมีการไม่รู้ว่ากรรเก่ามันส่งผลที่เกิดอิริยาบถในปัจจุบับบนอย่างไงเนี่นนยนรุ่ยเจ้าใจว่าเป็นอวิชชาอาการแรกคนที่เราุออกไปเห็นจริงเนี่ยแล้ลงใจแล้วเลยท ำ, ทำา ม, า, นนมท า, า, าทําเข้ามาหนักกว่านี้นะตรงนั้นอวิชาาาวชาทะลุอวิชาาาวชาหนักแรกทะลุ แต่โชคดีที่การเจริญสติไม่ได้เรียกร้องให้อาวิชาดัรแรอะรู้เสมอไปเอาอวิชชาดันสุดท้ายเลยก็ได้สุดท้ายคืออาวะกิเลสอวิชาที่มันบกบิดความจริงขั้นสุดๆคือกายใจเนี่ยมันเป็นเยื่อล่ออย่างปฏิบัติสมาธิไปเนี่ยนะบางคนรู้สึกถึงท่านั่งอยู่รู้สึกว่าเออเนี่ยมันสะเทือนจะเป็นการ เห็ไปเห็นมามันรู้สึกเหมือนวาร่างกายมันเล็กลงจิตมันใหญ่ขึ้นไม่ว่ารู้สึกเอาที่มาที่ไปที่มันจะต้องมามีสภาพกายแบบนี้มันบรรดาเรื่องหน่อยจากบุญหรือกุศลไม่ได้เห็นชาติมัแตกตัวว่าเป็นบุญเสร็จแล้วมัม่ไมีภาพซ้อนๆไปเลยที่มันเป็นบุญจริงๆมเจออยู่ที่ปากตกแต่งให้เกิดเราเยว่ยวส่วนนั้นส่วนนี้สวยบ้างไม่สวยบ้าง สมส่วนบ้างไม่สมส่วนบ้างนะมันมันจะเกิดความรับรู้ออกไปชัดเจนนะว่ากวามวิบากจริแต่ไม่ใช่มานั่งนึกว่ามันเป็นวิบากครับราคือว่านึกตอนแรกๆเนี่ยบางทีมันก็รู้สึกพวกเราเบบางไปได้เออมันก็ตรงไปได้แต่มื่อนึกไปนึกมาใจมีความโดยจิตคือมันปนอยู่กับความไม่รู้หมอนเดิมนั่นแหละไม่รู้ทาอะไรมา นั่งหาทำไมถึงได้ชะมัอะไรขนาดนี้นะเท่าไหร่โอเคก็เนกรว่าดูใช้ปิ๊งนไม่ัดเลาไปเลยใช่ครับ่่่อแดสอาทีเวลายกยกแบบเนี้ยพี่เอ็ดด้ลนะฮัลโหลฮัล เก่งดีนะัโค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่าเออเวลาปฏิบัติเข้าคอนะคะก็รู้สึกว่าแบโอเคแต่ว่าพอกลับมาที่บ้านแล้วเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะซ้ออยากจะหาเพลงนี้กัอยากจะดีขึ้นไม่ค่อยจะอยากจะซอ าาาการที่เราเข้าขอเรารู้สึกว่าอะไรอะไ ร, ะไรปลอดโปรขึ้นนะเพราะว่าสถานที่เข้าไปเนี่ยเราม็รู้สึกเราไม่มีสถานยุ่งยุ่งนะไม่มีไอ้ป้ายแผนไม่มีปร ะ, ะ, ปนนปประตูบานนึงว่าบอสนะหรือว่าผู้จัดการเจ้านายอะไรแบบนี้ไม่มีไอ้เรื่องรบกวนจิตใจว่ามีเสียง ของความขัดแย้งมีเสียงของความไม่เห็นตรงลอยกันในห้องประชุมอย่างนี้นะภาพและเสียงที่มาตรงแต่งจิตมันแตกต่างกันอยู่แล้วแค่ความปรุงแต่งทางตากับทำหูมันแตกต่างไปก็ทำให้จิตแตกต่างไปด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะเจตนามันง่วมันไม่รู้จะเอาอะไรมันไม่รู้จะทําอะไรก็ตามใจตัวเอง แต่พอไปเห็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเจตนาชัดเจนมันมีอะไรอยู่แค่อยู่เดียวคือมาที่นี่ต้องปฏิบัติธรรมนะแต่คนโดง่งหรือว่าคนคนเชียร์อะไรแถวนีวว้ที่ปฏิบัติธรรมเขาไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับเราเพราะเ่มีเจตนาแบบเดียวกับเรามันเป็นสถานที่ดำเนานของาาเขา น, นี่เพราะฉะนั้นได้พอ่อเลิกแน่ มันมีคว า, ามแตกต่างทางหูทางตาแล้วก็มีคว า, ามแตกต่างอย่างใหญ่หลวงทางเจตนาของเราเมื่อเจตนาแนตกต่างไปใจมันก็จะมีทิศทางหรือไม่มีทิศทางตามเจตนาไปไปด้วยคืออี่บ้านเนี่ยพอเราเห็นบ้านปุ๊บแม่ไม่ได้เริ่มก่อนเลยจะทำอย่างไรดี แต่พออยู่ที่สถานที่ปฏิบัติธรรมเห็นที่ปฏิบาตาับบาตาบิธรรมผูเดี๋ยวต้องทำอะไรเดี๋ยวต้องทําอะไรก่อเห็นไหมนแตต่างกัี่เพิ่มศึกษาเข้าแมาว่าตัวเจตนาที่รูมแป่งจิตให้เกิดภาวะวุ่นอยากโน้น อ, อย่างนี้ไกดตอนที่มันเกิดเจตนาว่าต้องทําอะไรก่อนเดี๋ยวนี้มัน ท, ทําให้จิตมันตรง หรือทำนิจินวาพุ่นไปฟุ้งประชาไปนี่มันสามารถจะเปียนแล้วถ้าเราอยากได้ความอดโรงรากับว่าที่บ้านเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเราต้องวางกดให้ตัวเองต้องสร้างการบริจินตให้ตัวเองไม่ใช่บอกว่าเฮ้นอยู่เดินลรงๆก็คหมือนใครหน่ะนี่แตกต่างเัหรอ แต่ความจริงก็คือเจตานาที่เราจะเดินจงครมเนี่ยมันไม่แน่ม่นอนมอนไก่อยู่ที่สถานที่ปฏิบัติธารแล้วอุตส่าห์ลากงานไปยังไงยังไงมันก็ต้องท ำ, ำแต่อยู่ที่บ้านเนี่ยนยีเหนื่อยไม่เดือแค่นี้มันแค่ครั้งเดียวที่มันสามารถตามใจตัวเองได้นะครั้งต่อมาเนี่ยมันหยุดแล้ว มันจะกลายเป็นข้ออ้างทีละนิดทีละหน่อยนะแล้วก็กลายเป็นความเคยชินที่ใหญ่โตตามมาเอ็นนิดๆหน่อยๆถ้ามันสบายนะมันติดใจมันใจเป็นของใหญ่นั้นถ้าเราบางคน ม, มีคือตัวสร้างความเคยชินเนะี่ไหนมไนจะม่ได้อธิบายได้เป็นสองทางหรือว่าตัวความเคยชินมันกลายเป็นความเข้มแข็งกลายเป็นพลั ทำให้เราอยู่ในรุ่นในฐานของความทาบารที่ชัเ้เจ็บบางคนงงค น, น, งงนี่บอกเลยบอกว่ากลับบ้านบุกเนี่ยลอง้องเนี่ยคือเดอตรงรรมนั่งสมาธิอะไรไปซึ่งความเคยชินตรงนั้นอำนาจความเคยชินตรงนั้นตัดผมนาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเสซฟต่อมันเราจะรู้สึกว่าอุ่นใจรู้สึกว่าเป็นชั้นเองกับมันแต่ ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งในมุมของคลันสนามพลังยิ่งเรามีความองเส้นผงว่านั่งพานาที่เดินจนงกรมในสถานที่เดิมสามไปสามมามากขึ้นเท่าไหร่มันจะเหมือนมีแรงรึงดูดพอขับไปถึงสถานที่ปุ๊กมันชวนให้นึกคิดก่อนเลยนึกถึงการปฏิบัติธรรม แต t t cooker, cooker, <c oughs> ่ตามอย่คนทั่วไปเก้าจุดเก้าจุดเก้าเก้าเ้าปอเซ็นเห็นสถานที่เราโหรานหรือว่าห้องส่วนตัวของตนเองเป็นสถานที่สำหรับความบันเทิงพักผ่อนหรือไม่ก็แสดงความขี้เกียจในต่างถิ่นนะตรงเนี้เป็นสนามดึงดูดสนามพลังดึงดวดแบบอีกแบบหนึ่งคือมันดึงดวดให้มองเงยห้ายเข้าห้องปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกแล้ว มันเหมือนแต่เรียวแรงมันหายไปไอความขยันความเข้มแข็งเลยความเข้มแข็งทางจิตใจมันอ่อนย่้วงนะกลายเป็นคนแบบเออไม่มีไม่มีมือไม่มีเท้าวไว้สู้ปีตับปีเด็นี้ถ้าเราค่ อ, ค อ, อยๆปลุกตั้งแล้วก็ไม่ทําแบบปุ่มบางนะปีเด็นเนี่ยถ้าเราอยากเอาชนะมันจริงๆ ต้องเข้าใจพฤตวิธีกคือถ้าเราจะเ่งบอกว่าวันหนึ่งต้อง5ั่โมงกลับมา5ั่โมงกว่าแล้วทาตามทำตั้งใจแค่วันเดียวนี่เลสเราอีกทีนะด้เกิดความทิดที่เจะทำไ้ทไมเนี่ยมันเหนื่อยก็เหนื่อยนะเหนื่อยจากการทางานไปแล้ว ไม่จะต้องมานื่ยกับการปฏิบัติสร้างภาระทับสมด้วยเองเข้าไปื่างกายเป็พวกเดียวกับพี่เดดไปมองไม่เห็นประโยชน์น แ, แต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องของการค่อยๆปลูกค่อยๆเพาะกำรับมันจะค่อยๆแฟงขึ้นเข้าไปในกองพนของพี่เดชนะคือตอนแรกปฏิบัติแบบ พึ่งพึ่งแรงบางแบบเหมือนกับเป็นพวกเดียวแบบที่เขียนทําไม่มากนะแต่ทำบ่อยๆก็มันจะเหมือนกับข้องส่งกาลังมีความเข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับกีฬามีใช่ไหมรับบางทีมันจะไม่รู้ตัวนี่ะตรงนี้ปล่อยให้ทําเพราะว่าไม่ได้จะทําก้งเกี่ยวแต่ที่นึกว่าจะทําก้งเดี่ยวเนี่ยที่แท้มักลายเป็นจำนวนเหมือนกับเราตั้มใจยากมัน แค่หน้าเยว่เฮ้ยหนังสือมันสนุกมันอา่านไปเรื่อยๆโดยไม่ได้ตั้งใจติดตามไปเพราะว่ามันสนุกอยากติดตามขึ้นมาอีกแบบเนี้ยไมนถึงจะได้ผลอ่ะก็ของเรานี่คืยจริงๆมันมีท่ามิสัยความอมีวินัยอยู่แหละเพียงแต่ว่ามันมันก็เหมือนแข็งนั่งกรอบล้างบ้างสลับสลับกันไปคือเอาแน่นอนเนี่ยไม่ได้ แต่ที่อยาเอานอนได้ต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นไปทีละนิดโดยที่ไม่รู้สึกทีเดดก็ยังไม่ไหวทันก็ยังไม่รู้สึกว่าเนี่ยเราต้องฝืนใจแต่ถ้าเมื่อไรฝืนใจเนี่ยก็ลดตะดับให้ปังตั้งหน้าตั้งตาลงเนี่ยขออีกนิดนึงเราเอ่ออยากอยู่ขอถามๆพี่อ้อมีอะไรที่ เราเป็นประเภทที่ชีวิตค่อนข้างจากนอกทางมาเก็บคือยังย่งบางทีเราเรียนหรือทำงานอะไรเงี้ยนะเราทำก็เขารู้เรื่อ ง, งแต่ข้างในมันโง่ว่าจะทำไปทำไมมันเป็ไข้ควันหาคำตอบอยู่ข้างในข้างในมันรู้สึกโง่ๆมันมันึดจับอะไรไม่ได้ แต่พอมาปฏิบัติเนี่ยไม่เกิดความรู้สึกว่าก็ว่าคือไม่รู้หลักอันนี้แหละที่เราอยากได้เรอยากไปจรี้จริงเคยรู้สึกไหมเวลาทํางานมันไม่ได้ทำาับเขาได้มันไม่อยากได้อะไรโน่งนี้นั่นกับเขาเอนกันนะไม่ใชไม่อยากนะแต่ข้างในมันรู้สึกโหวงวงอยู่เคยรู้สึกไ้ยว่ามันมันเหมือนกันมาอึงทางโลกว่ะทางโลกขอหยุดหยาก คือยังอยากได้อยู่แต่มันมันยังมันก็รู้ว่าว่าเราไม่ได้ไม่ได้อินจากตรงนั้นใช่ไหมนะคือคือข้างในเนี่ยเขามีโปรแกรมของเขาเขาอยูแล้วว่าเนี่ยจะเอาทำโลกเนี่ยมันเหมือนกับใส่มาตามรู้จำเหมือนคนอื่นๆเขแหละแต่ว่าเราจะจะคล้ายๆกับพออยากได้มันมันไม่อยากสุ มันมันเหมือนกับมีอะไรงงๆอยู่ข้างในว่าเออใช่หรือเปล่าอ่ามันมันมันไม่ชัวร์ว่าเราอยากได้จริงๆเต็มไม่ดีค่ะคืออันนี้พี่ยาอธิบายว่าของเราเนี่ยสภาวะจิตใจเนี่ยบางทีมันจะยังอธิบายตัวเองให้ถูกอยู่หลายเรื่องยังเรื่องการปฏิบัติเนี่ยเน่าจริงๆเลยเนี่ยคือเรายังไม่ไปถึงไหนแน่นอนเด่๋ยวเรารู้สึกว่าเออเนี่ยจะทำ ไม่รู hmm. ้แรงมันเป็นประมาณอาการมาไม่รู้แลรงเลยับไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกอยู่รลึกคือมันมันไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเองมากนะเราะว่าเออเดี๋ยวจะรู้ทำได้หรือเปล่าแต่มันรู้สึกว่าเเราอยากจะ้มุ่งเป็นทิศทางแบบนี้เนี่ยนรงนี้เป็นเขาเรียกว่าสภาพร่างกายสภาพการคงแ่งทานจิตใจเนี่ย ที่มันเป็นวิปัสนาที่มันเป็นของเดิมนเขาเล่าของเขาไว้อย่างนี้ก็ือว่าจะยังมีกิเลสจะมีอะไรก็แล้วแต่ใเที่ถานไหนขอทำให้ถึงผลนิพพานอะไรเงี้ยนะเราก็ประกอบบุญมาบ่อยบในแบบที่พยายาให้เขารู้เข้าทางใน ต, ตอนนี้เรงยังงงอยู่หลาเรื่อง คือมงกับในงบการต้องการตัวเองเนี่ยพี่พี่ว่าในส่วนเนี่ยหรือการปฏิบัติคือเราเราต้องสนเอนไงเห็นอะไรเที่ยวว่าแวบๆแต่มันมันไม่ได้เชื่อยังไม่ได้เชื่อว่าตัวเองจะทำได้อีกไป็นไหแล้าคําถางของน้องทั้งแรกเนี่ยก็คือว่าเราทําไงถึงจะทําให้ที่บ้านกลาเป็นสถานที่ปฏิบัติครับ ในกระทำที่ข้ามาตของมือใหนะม่นะมันมันมั่ใจอย่างนี้ว่าอย า, อยากอยกเอาสิ่งกำจัดอยากลุยอยากจะออทาให้มันต่อเนื่องจากให้มันเกิดผลนไม่ใช่ว่าบอกกลับมาแล้วกลายเป็นอิยางเป็นอะไรอย่า ง, นงเนี้นะฮะสิ่งที่ เ, เราจะต้องอธิบายตัวเองให้ได้ก็คือ ก า, าปรปฏิบัติที่แท้จริงมันอยู่ในทุกลงหายใจถ้ายังมีลมหายใจอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าสถานที่ปฏิบาททาัติธรรมมันสามารถรู้มันสามารถทำสติรู้เข้ามาได้หมดอันนี้ยังเวลา อยู่ที่ทํางานอย่างเนี้บทีเรานึกถึงกายขึ้นมาเรานึกแบบทื่อๆั่นเป็นเหมือนเหมือนกเราลอไปเฉยๆเราไม่ได้รู้เราไม่ได้สังเกตจุดทุกภาพแตกต่างจุดทุกภาพเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเวลาเรารู้สึกถึงกายนมเรานั่งนอยู่มันเรมันเหมือนแบบไปล้อคลื่ออย่างนี้แล้วถามตัวเองไหมว่ามันเห็นอะไรจากอาการทื่อๆแบบนั้น เราแค่ได pues ้รู้สึกว่าเลอเนี่ยมีสติเห็นกายเมื่อมันจบถูกไห้แง่เนี่ยอย่างนั้นมันไม่ถูกคือการเห็นกายที่พระพุทธเจ้านิยามไว้เนี่ยนับตั้งแต่ท่านสอนสติปัฏฐานเริ่มต้นมาเนี่ยนั่นให้ดูไอ้สิ่งที่มันตำังปรากฏแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอด24ชั่วโมงคือสมหายใจมันได้เห็นด้วยนั้นว่า ลมหายใจอย่างไม่เทีย่ยงแล้วไอ้การที่ได้เห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจเนี่ยมันก็ต่อยอดมารู้สึกถึงท่าหน้างึ้นมาเองไม่ใช่ไปรอท่าหน้างั้นเฉยๆด้วยทีพอเรารอท่าหน้าง้นไ้เนี่ยเรารู้สึกว่าเออเนี่ยเรารู้สติอยู่แล้เราพยายามเคลื่อนไหวเอ๊ะมันมืดๆแท้มันมันไม่รู้เคลื่อนไหวตั้งแต่เมื่มอไรรู้เลยว่าอพอขยับใหญ่ๆขึ้นมาครั้งหนึงคือแทรู้จริงขึ้นมาครับพี่ เขาที này, ่มันง่วงไงไม่ใช่อะไรล่ะเพราะเราเวมัวแต่ล็อกมัวแต่บีบลอกไว้ให้มันเห็นแค่เนี้ยท่าทื่อจิตถ้ามันไม่ได้เห็นอะไรแสดงความเคลื่อนไหวจีิจิตตามธรรมชาติมันจะรู้สึกเป็นภาระนักอึ้งเหมือนเนี้อยู่ๆเวแบบดัมเบลไปเฉยเนี้ยนะด้ว่ามันจะแข็งแรงขึ้นจริงๆถ้ามันต้องยกยกขึ้นยกลงเห็นไหมแม้ในกล้ามเนื้อเนี่ยว่าการทางกายเนะ ไปยกค้างเลยเฉยนี่ปวดปวดแขนอีกนี่แต่ต้องพายัองต้องมาในเป็นจริงแล้วเนี่ยคนเนี่ยนะถ้าเท่าใจสภาวะการเคลือนไหม่ของกายของธรรมชา่ยเอาอย่างที่เราพุทธเจ้าพระพุทยาจสอสอกคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนท่าหลักๆมีอยู่แค่สี่ทีเดียวคือยืนเดินนั่ง น, นอน จะไมีเกินจากนี้ไปแต่ถ้าเราเริ่มต้นจากการรู้สึกถึงลมหายใจได้ก่อนแล้วค่อยมารู้สึกถึงเดริยบดแบบสบายๆนี่นั่งอยู่รู้สึกเมื่อนั่งอยู่พอตั้งหลังตรงก็รับไปว่าพอตั้งหลังตรงถ้ามันเอียงคอหรือว่ามีอาการทื่นมันเซไปเยมาก็ยอมรัตามที่มัน มันกรับตั้งขึ้นมาใหม่เออก็รอ้มเด็ดเด็ดท่าไปทุอย่างเนี้ยนะแต่ไม่ใช่พยายามมองอยู่ตลอดเวลาว่ามันเป็นท่านิ่งคือก็ใจลอยไหมเพราะเป็นยาวนะทั้งสอนอย่างนี้จริงๆนะท่านให้ดูท่านให้ดูก่อนว่าเรลมหาใจมันไม่เที่ยงก็ได้ตัวอย่างความไม่เที่ยงแล้วก็ติกต้างของกติที่เกิดขึ้น มื่อไงเรอมารับรู้ถึงภาวะทางกายเมื่อนี่เราดำเป็นแบบนี้คุณไม่จะเห็นนัานแค่ไหนเราไม่เปลี่ยนแต่ว่าไม่ใช่ไปพยายาจ้องรองไว้แล้วพอมันจะายามขึ้นมาทีเราจะรู้สึกถึงเกลี้ยยบทยอย่อยขึ้นมาเองหลังจากรู้เกลี้ยยบหลังพอสมบูรแล้วยกตัวอย่างนั้นอางบางคนตื่เอ่อ สติสำหรัสัญญารู้การเคลื่อนไหวนะเพื่อมือไปจับแก้วนะยกขึ้นดืมรู้เหมือนกับรู้จะมารู้แค่แค่แค่เนี้ยแค่การเคลื่อนไหวของแขนแต่ลืมที่จะผลหลากไปผลก็คือว่าจิตเราจะรู้สึกว่าปวดหนักปวดหนักอยู่ว่าอาการเคลื่อนไหวเนี่ยง่วแหนะไปจากอาการเคลื่อนไหวเล็ก แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่นะเรารู้สึกถึงเนี่ตอนหายใจเข้าหรือหายใจออกรู้สึกเบาๆขึ้นมาสบายขึ้นมาเนี่ยทันทีนั้นเรารู้สึกถึงท้านั่งรู้สึกถึงท้านั่งขึ้นมาเองได้โดยธรรมชาติจากนั้นเนี่ยพอจะเอื้อมไปจีบแก้วเรายังรู้สึกถึงท้านั่งเนี่ยท่านั่งมันเปลี่ยนไป็นิดเดียวแล้วท้านั่งนั้นมันยื่นแขนออกไป มันคนละความรู้สึกเลยจิตยังกว้างอยู่ยัยง ย, ยังรับรู้อะไรที่หมืนมจจุมกว้างใหญ่ๆไม่ใช่เพีนึเงครับแค่ของเรามันคือเพียงเงินคแก่หรือไม่ก็เข้าใจว่าการนั่งล็อกอยู่กับสภาพกายนั่งเขาเรียกว่าสติอนั้นจริงๆเขาเรียกว่าเป็นาการบังคับจิตให้มันล็อกติดอยู่กับ วัตถุตัววัตถุร่กายันไม่ใช่การมีสติจะเดินสติกายโดยความเป็นอไม่เที่ยงนี่คงะนี่อาารย่เวลาคนที่เกิดมาในรูปพระพุทองค์ทุกอย่างค่ะแต่ว่าเขามีวิบาดนั้นไม่พาไม่มีความเชื่อติดเรื่อง ก็จะมีนพยายามให้เขากมาเดินรอยใน่งต้องค่ะับมาเดิน่ะอ๋อเนบางคนมีเวลาแต่พรดเจ้าเนท่านก็พยายามสอนคนทุกเวลาทุกคนีท่านรอต้องวาย ที่เรารู้กันเนี่ยว่าพระเจ้าเทศตอนเทศโปรปจเรีก่อนแอบได้มาลุอัญญาณตนยัาได้รู้ธรรมเป็นระสบนองคแรกก็เข้าใจว่าคนเข้าใจว่าพระเจ้าได้มาลธรรมแล้วเนี่ยมาพบกับปัจเีเป็นพวกแรงจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยพระองค์ก็รับบิบาต ระหว่งางทางมก่อนเจอมานองเจอตันนี้มองคนมาถามด้วยคำว่าท่านเป็นนักบวชหน้าที่ใดศาสนาใดพระเออจ้าก็่านทันว่าท่า น, านก็คนหาวิจิตกดับทุกข์ับทุกข์สาใจนะะก็พูดถึงรยละเยดทานทัานวันนี้ฝังก็เข้าใจ แต่ว่าไม่ได้บรรลุถ่ายไม่ได้ปฏิญาณตนเป็นสาบอกเพื่อนเพราะยังไม่ถึงมารมีของเข า, น, า, เ น, เา น, นี่เขาแสดงเงียบแม้แต่พระพุทธเจ้านะท่านก็ไม่ได้มีความสามารถขนาดที่ว่าจะทําให้ใครเนี่ยมาเข้าใจธรรมะในเวลาที่ยังไม่ถึงการของเขาบางทีเรามองไม่เห็นหรอกว่ า, าใจซับซ้อนอันใด ที่ทำให้เขาเป็นวิญญาณทิฏฐิหรือทําให้เขาไม่นึกอยากสัพพะศาสนานบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของวิญญาณิฏฐิก็ได้แต่เป็นเรื่องของความไม่พรอมด้วยเหตุปัจจัยพื้นฐานยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยเกิดมาด้วยการเคยชินว่าเคยใช้ชีวิตไปอย่างนี้ดีละมีความรู้สึกพอใจละในความรู้สึกพอใจนั้นเป็นความเคยชินนั้นของเขาเนี่ย มันมันต่อกันเม่จิดถ้เราไยบอกว่านี่ลักษณะพุทีอย่างนี้นะคนทุกเนะี่มันทาให้อายุุุุ้รุุุุุุุุุุุุุุมุมุนะุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ่่เุุุุอุแุุุุุุุุ่อุุุุุุุุุุุุุุเนุุุุุุกุุนนุุุุุุววุนนะุุรุุุุุุุุอุุุุุาุุุุุุุุุุุุุุุุุุมุมมววุุุัุุุุุุุาุมุุุุุุาุุุุุุุุุเุุุุุุุุุาุุุุุุุุุุุุุุุุุ ทำอะไรเพื่อเพื่อข่าสวรรค์ที่เขมองไม่เห็นอีกทีนี้ก็ต้องไม่ติดอีกแล้วทำนองเดียวกันแต่าคนศาสนาอื่นมาครอบไถูกบ้างหรอแบบนี้แบบนี้ของนายไม่ถึงจะดีเขาก็มองเราเป็นพิชาที่ดีเหมือนับคือนี้พูดง่ายๆว่าถ้าเรามองมองอย่างแฝงๆนะว่ายังไม่ถึงเวลาของเขาเนี่ยเราพูดยังไงมันยังไม่มีเกรื่ต่อ มันก็ไม่ติดหรอกแต่ถ right. ้าหากว่าเราต่อมีความผ่อนผนมากพอแล้วรู้จังหวะว่าคนเราเนี่ยนะจะหาคําตอบก็ต่อเมื่อตัวเองเนี่ยไม่สามารถตอบคําถามของตัวเองได้เขาอยากจะได้วิธีบรรทุก์ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถเอาชนะความทุกข์ในตัวเองได้และเขาแจกมาต่อติดกับศาสนาพุทธ ถ้าหากเขามีความรู้สึกมา n g o เข้ามาแล้วเนี่ยคือคนของศาสนาพุทธเนี่ยเย็นจีนเวลอเราาเป็นตัวแทนของศาสนาพุทธอยู่สำหรับเขาถ้าหากว่าเราเยน็นจริงเย็นต่อนเนื่องแล้วก็มีความรู้สึกที่มันเป็นมุศลอยู่เรื่อยๆบางทีนะ่ยเขาลึกอยากถามขึงงม้นมาเองว่าเปถามอะไรมา เพรานั้นน่ยมันเป็นจังหวะองนั้นถึงจะเป็นโอกาสที่เราจะพูดสิ่งที่เตรียมไว้ก่อนลงหน้าในย่างหรือยา่างจะไปบอกว่าเมื่อเนี่ยเป็นการคุยบายญาติองนั้นตรงนี้อะไรต่างๆคือคนที่เขาไม่พอกอม่ะฟังกระเพิ่มจากต่อติดพระพุทธศาสนามนใหม่ต้องการคำตอบอย่างเราโดยตรงเตรียมคำตอไว้ลงหน้าการเตรียมคำตอไว้ลงหน้ามีคันเดียว คุอกาไว้ใหมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งการปฏิบัติและในเชิงทฤษฎีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะถามมาในเรื่อไหนอีสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่จริงๆในปัจจุบันนี้ก็คือาชาวพุทธนก็จะเป็นชาุทันบทีอันนี้ไม่ได้ไหม่สำหรับเราคือถึง ในสธาพวดล้อของศาสนาในปดีบัาเนี่ยมันไม่เอื้อให้คนยุ้ไอดีเนี่ยอยากนึกสักคาที่ศาสนาพุทธยังเป็นของที่อยู่ไล่ตั้งแต่ประสงอ์เจ้าออกมเมื่อท่านถึงเนี่ยไปดูว่าถ้าตโการเีแสดงความิเถียเป็นเปนมีแสดงคามผิเถียงเท่วศาสนาติมันไม่ต่างจาก ปุ้ยอ่ะน้ำพานอะไรแบบนี้หน้าที่ทาให้เกิดความรู้สึกว่าผเคยผมเคยเห็นคนแสดงความเห็นบอกว่าถ้าห้องศาสนาบ้างลมีแต่คนประกาศแทกกันคือรู้สึกอย่างนั้นจริงจริมันมันมันวนเรื่องอะไรก็ไม่รู้ว่าเชื่อเหลเกินนะว่ดีเชื่อเหลืเกินก็สูงส่ง แต่ไม่มีคำพูดดีๆแม้แต่คำเดียวคือมีคำพูดดีๆแต่เป็นคำพูดที่เป็นฉากหน้าอ่านฟังแล้แต่จริงๆมันคออยากจะติ้มแฉกันอยากจะลบกันอยากแสดงภูมิที่ถ้าเราอยู่ในชีวิตแบบพูดจริงๆถือว่าเราไม่ยุ่งกับใครแหน่ะเรามีความเย็นเราพบความสุขเพิ่เติมเนี่ย เป็นสุขมีมีสันติในใจเราเปลี่ยนแปลงจากคนที่เคยหมดหินง่ายเคยร้อนเคยร้อนได้ง่ายๆเป็นหมดหินยากขึ้นเปนมีความเยืกเย็นลงที่เราแปกตามเนี่ยเมื่อเรกแปรใได้แต่ถ้าหากว่ามันต่อเนื่องคือไม่ใช่แค่แตกต่างแต่ต้องต่อเนื่องด้วย แตกตามอย่างต่อเนื่องมันมันมันเปลี่ยนอย่างความรู้สึกแปกแใ่เป็นอยากรู้แล้วเราไปตัว อ, อย่างว่าเราไปฟังอะไรมาบ้างเราไปถามอะไรมาบ้างมันพูดง่ายว่าเอาตัวของเราเป็นที่พั้ของแรงมันแย่คือถามตัวเองอยู่เสมอเสม อ, สมอว่าเราอยากให้เขาเป็นพูดเพื่อให้เขาได้เจอแบบอะไรเอถามตีนแมงมันเกิดขึ้นในตัวเอง สิ่ง น, นั้นเนี่ยบางทีนะมันมีความหมายางสยจันทรอยู่อย่างเวลาเราอยากเปลี่ยนใจใคร่ฝ่ายตัวอยากให้เขาได้จิตสุนทรอยากให้เขาได้ศรัทธาในติดตานธ์เดียวของเราแล้วเราเอาไปเป็นที่ตั้งของความปริญญาในเส้นทางที่เราอยากดึงเข้ามามั น, มนคล้ายๆแบบไกละ ถ, ถึงพลังอธิษฐานคือไม่ได้อธิษฐานเป็นคำเนี่ย ไม่ได้นั่งใจนะว่าขอให้อย่างนั้นขอให้อย่างนี้แต่มันกลายเป็นพลังเหนียวแรงน้องหนวที่จิตของเขาเนี่ยเกิดความสนใจขึ้นมาได้อีกเพราะว่าเวลาที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเราเรียนไปที่เขาเยอยากให้พขาเห็นอยากให้เขาฝึกซ้ำอยากให้เขารู้สึกถึงอะไรที่มันดีงอยากให้เขารู้สึกถึงความสว่างแค่คิด แค่มีความอยากแบบนั้นเนี่ยนะตาสว่างความเย็นเนี่ยไปถึงเขาแล้วฮะไปถึงใจเขแล้วคือโดยที่ไม่ต้องอธิษฐานแม้แต่คำเดียวบางทีเขานึกถึงเราขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจเลยผลเอ๊ะทำไมมันรู้สึกสว่างขึ้นทําไมมันรู้สึกเย็นมันรู้มันรู้สึกดียิ่งพอเจอหน้ากันเอ๊ะเออมันเป็นความรู้สึกตรงกันแับที่เขนคิถึงเราตอนนี้เขาอยู่นึกถึงเราขึ้นมาเรลอยๆ รู no ้ส nice. ึกสว่างรู้สึกเย็นพอเจอเข่าก็คือมนเปความรูกสึกเดียวันเลยไอ้พอความควารู้สึกความเมติ่งอะไรแบบนี้มันมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนี่ยมันรไปได้มันขัการที่เขาเพื่อทําอะไรมาเนี่ยนะแล้วก็ปกติคนมันก็จะไปเข้าการนี้มนะไป อยา่างเมละก้อนอ่เงี้ยแบบฉีดมาทั่วเลยเนี่ยแต่ของเราให้คนอตอบเปีนแบบนี้เราบอกว่าเราอดาตัดจิตใหม่เราทำสัญญ า, ด า, ดาดกับทางจิตอ่าตัดความคิดผาตัดนี่อะไรที่มันเคยทำตามที่ต้องการมันกลายเป็นทำตาม ที่ควรจะทำที่ควรจะทำก็คือทำน้ำอะไรอุปสรร์อย่างหนึ่งคือของน้องแห่ยพออยากได้แหรงแจ่ใจร้อนน่าจะไม่อยากรอแล้วบางทีในความใจร้อนของเราอาจะมาปิดกัน แต่ระเกียจว่าทำไมถึงไม่ใช่เวลานี้ทำไมถึงยังมาไม่ได้บางทานที่คือนโยร้อนยิ่งนะเขาตอบไม่ได้ไม่คอยยิ่งเหมือนว่าเอ้ยเราต้องรีบไล่ให้จนอะไรอย่างเงี้ยนะความเย็นนะความใจเย็นความเปิดกว้าง มันมีพลังยิ่งว่าคําชักชวนอีกคือไม่ใช่เย็นแค่เรื่องนี้ไม่ใี่ใจเย็นรอดได้แค่เรื่องนี้แต่ได้ทูกเรื่องของเราเนี่ยเขาจะแปลกใจมากเลยนะถ้าเราใจเย็นได้ทุกเรื่อจักที่แม้ไนความคิดนะี่ยก็ไปฝึกตรงนี้คือบางทีเนี่ยเรา เียบได้แอมไม่พูดไม่พูดไมอยากได้แต่ความคิดมันยังหมุนอยู่หมุนเป็นตะว่าเลยเราจะรู้สึกได้ทันทีนะคือคืออันอ้นๆไว้ไว้เงียงบด้วยแต่ลากล้ามแต่ความคิดเรายังมิจฉวนั่นแหละเขารู้สึกได้คือคนอยู่ใต้กันคนที่สัมผัสกันมันอาจจะยังไม่รู้ความคิดกันนะนะแต่มันรู้ได้เพรากระแฟ ต, ตั้งเดิมเนี่ยเป็นยังไงคือเวลาเขาอยู่ใต้เราเยตอนที่เรากรานัง่งหมุนจีอยู่แบบยาวใต้อะไรเนี่ยเขาจะรู้สึกถึงอาการร้อนอยู่ข้างในคือมันบางทีไม่ต้องพูดหรอกแต่มันรู้สึกว่าข้างในหัวของเราเนี่ยมีอะไรปักอยู่ยังไม่อยุดกระชวนแล้วยังไม่ไปเนี่ยมันแบบมีนิดแมบบีห น, น, น่อยอะไรเนี่ยนะมันจะรู้สึกว่า เออเนี่ยอาการแบบนี้คือเราปวดต้ตนท่านเลยแต่ถ้าเมื่อไปเรารู้งกกึกเจริญสติหรือรู้เข้าใจที่ไม่อาการพวงเหมือนสว่านหมุนขีแบบเหมือนแบบมีมอเตอร์แรงโขงอยู่ข้างในในหัวตอนที่ยังไม่ได้อะไรหันใจหรือ ว, ว่าไม่ได้หังใจมันมีหมุนหมุนานอยู่ ถ้าหากว่าลองเริ่มฝึกเออยที inside, ่หมุนจีอยู่อ ah. ย่างเนี้ยนะดูเออเนี่ยหายใจหายใจแบบไหนยอง่างทีเนี่ยตอนพี่ไก่รอบตอนคือเราก็ดูนะบางทีมันก็สบายแต่ในหวมันยังเหมือนกบมีอะไรหมุนจีอยู่ตอวเนี่ยเราก็แค่สังเกตว่าลมหายใจนี้ยองรับตามทิ่ไปนันหมุนนั่นัน แล้วงหายใจกอนมามันยังเหมือนทั้งเดิมเลยไหมนี่อย่างตอนนี้มันกลายหนึ่เมื่อกีที่พูดใะดับหนึ่ถ้าเราไยกระดัได้พอรู้สึกได้มันมันแบขึ้นมาใหม่ปัขึ้นมาอ่อนๆแต่พอนึกออกมาคือเนี่ยเปรียบเทียบนะลมหายใจหนึ่งกัายใจเนึมันแตกต่างแบยังไงตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นงงงงนินึงนี่ไอ้อากาของลมห พอพ่พูดถึงน้ำใจงงงเรารู้ไงว่า น, นาตาเป็นยังไงแค่นี้ก็มีปติเข้าไปรู้แล้วมันก็หายไปแล้วตอนนี้คือวางวางจิตไม่ถูก ม, ม้จะวางไว้อย่างไรหน้าตามันก็จะเปลีป่ยนไปเรื่อยแม้ข้าวําใจถ้าเราสามารถรู้สึกได้ว่าข้าวําใจมันต่างไปแม้แต่ละดมหายแต่แค่นี้ยกาจะเปลี่ยนไปเป็นบาบลาเลยหน้าของเรานไง ตัวตนเรามนี่ยถ้ามันสามารถเจริญสติขึ้นหน้าอย่างที่ที่บอกอย่างนี้เนี่ยมันจะมีความเย็นมีความสว่งแตกต่าไปเพราะว่าคนที่เคยร้อนคนที้เคยใจรอนนองมากเวลามันสวิงกลับไปอีกข้างหนึ่งมันเย็นมากเหมือนแนวหลวงปู่ขาใครเห็นก็คิดว่าหลวู่ท่านคงใจดีใจเย็นตลอดชีวิตไม่ใช่เลยนะท่านเคยเป็นใจร้ายมากใจร้อนมากแต่ฆ้าคนแล้ว แล้วมันกงไปอีกข <teaching. S 1> ั้นนึงเนี่ยมันก็สามารถที่จะคือคือพลังมันเยอะไงพลังดิบๆไมันเหมือนน้ดิมีอยู่เยอะเนอาไปใช้อะไรไได้แล้วเราเปล่าเปลาออกมาเปล่าๆออกมาของเราเนี่ยของเดิมมันมีพลังอยู่เยอะพลมันเอาไปใช้ในการเร่งรอนแล้วก็เอาไปใช้ในการที่ว่าเรา อยากได้อะไรเนี่ยมันหนัาตาเอาไ้ได้นี่ถ้ามันเย็นลงมันก็จะแปรรูปปฏีรูปไปอีกแบบนะมันจะมีความสว่างความเยนให้ความสว่างความเย็นที่มันแรงร้อนเนี่นนยาามันสั่งเปลี่ยนใคนได้เลยเนไหมผมจะถามเยอนิดนึงคบประมาสอคนะคามแรกคือ ช่ีกล uh, right ังอยู่ว่าทํางนงานคืองานเดิมเนี่ยเป็นงานกษณะช่วยเหลือคนค่งน้างเยอะแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยแล้วก็ตารางานค่อนข้างเยอะบางครั้งก็ทาไม่เสร็จตามเวลาตวมีกระทกรทั่งกับหน้างานพวกโรงานริสุทธิ์อีกงานนึงเป็นงานใหม่้าเป็นงานที่ิเครา มากกว่าต่อเวลาว่าจะเยอะกว่าทำงานก็คือว่าตรงคนพิจิตรคิดยังไงว่างานแบบไหนเนี่ยจะเชื่อให้กานเชิงสังคมเชิงจังหวะเนี่ยมากกว่าทั้งในความสุขในการงานด้วยแล้วก็ทั้งในชีวิตตายด้วย ผมพูดสนุกเกี่ยวกับการวิเคราะห์จริงแต่มันไม่ใช่วิเคราะห์แบบงานหนักมากหรือว่าจะแบบมีเข้ามาไม่อยุดอะไรแบบนี้นฮะ ค, ค, คือขอให้ดูสถานะขอา ง, งานใหม่เนะี่โอเคมันเป็นงานวิเคราะห์แต่เป็นงานวิเคราะห์ที่มีปริมาณเยอะลึกลับถ้าเยอะเนี่ยตอนนี้ใจเราไม่ชอบแล้วคือเด็กแ ต, แต่โอเค ม, มันชอบเป็นคนที่ จะลงรายละเอียดว่าเขียุผลต้นปลายเป็นยังไงแล้วควรจะหาทางออกยังไงมันชอบอย่างนี่ยบางทีแต่มันชอบแบบปริมาณที่แบบเอางานแบบการจริงๆไม่ใช่งานที่แบบต่อเนื่องถ้างานต่อเนื่องเนี่ยมันจะไม่เหมาะกับการเจริญตับีเพราะว่ามันจะรู้สึกผูกสร้างเลยของเราจะชอบแบบขอให้เป็นงานที่มีอะไรที่จริงจริงแท้จริง ที่ที่มันมันมีในสาคัญกับไอ้ตรงที่ว่าเราจะไปช่วยเขา้าอุเบกอะไรอย่างเงี้ยนะงาพอเสร็จ <c oughs> ก็มีทวมเป็นบ้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมีแค่งานเอกสารแค่เซ็นแค่อะไรเป็นโอตามมาคือไม่ใช่แบบวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์วิเคราะห์วิระจากงานนึงกระโดดไป อ, อีกงานหนึ่งเป็นหัวรไปอันนนอีก คือคือเวลาที่จะดูงานที่มันเข้ากับเราเนี่ยก็คืองานที่เข้ากับไอความสำนักใจทางจิตนั่นเองแต่เดิมเนี่ยอาจจะเหมือนกับเราสามารถที่จะทำํำมีคอร์สชมกระบวนรอไปได้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีความเข้าใจเรื่งองการเจริญสติเข้ามาเป็นตัวแปรแล้วก็จะมีความซุมเทยเราด้วยอยากอยากพักบ้างอยากทำหนากบ้างอะไรอย่างเงี้ย เนะพราะฉะนั้นงานที่เหมาะก็คงจยาเป็น่านมีฟอสในแบบที่ว่าเราเข้าไปเป็นชีผูก้ออกอนนงตรงคือไม่ใช่เราเข้าไปเป็นแบบเ บ, บที่มันรับสารพัดจออะไรแบบนี้นะถ้าตั้งงานใหม่คือเป็นรักษณะงชีผมคิดว่าโอเคทีสำคับห น, นึ่งคือคือดูใารอกเนี่ยผมรู้สึกว่า คนอาจจะรู้สึกว่าผมนี่ไม่ค่อยตังย้งใจแต่แต่ว่า<ม>ั้งในเนี่ยคือแทาโดนกระทบกันทางมากๆแล้วก็โดนว่า น, นักเนี่ยบางทีก็ก็อยู่ดีๆเจอความชิดอะรก็ลขึ้นมามทำให้นอนไม่หลับอกัน<ม>ก็พอดีได้ห น, นังโซเฟียโปกของคุนันตินคที่เริ่มเรื่องทำพุ้คนที่บอกว่าจริงๆเป็นแบบสึก ได้ดังดีแติแวนรี่อ่นนรู้สึกว่าความทุกข์มันเยอะอเกินเถ้าแต่ว่าโดนเยอะๆขนาดนี้มีวิธีคิดยังไงไหมคว่าจะแปลไป่นเป็นแบบสุดใช่คือคตอบอยู่ในคำถามนีแล้วเราจะมองว่ามันเป็นแบบุกหรือว่าเป็นบทลโทษเนี่ยมันขึ้นอยู่กับองคมาทที่ใจเราพร้อมจะเห็นมันเป็นอะไรอย่างอย่างที่บอกว่า พอเห็น แ, บบแน่เลยเนี่ยคําว่าเป็นแบบตรวทานเนี่ยมันปฏิเสธอะใจปฏิเสธนนั้ไม่ใช่อบอกว่าตามปร ะ, ประการเนี่ยนี่ไม่ใช่แบบตรวจทานนี่เป็นบทลงโทษนะฮะบทลงโทษอยา่างไหนไม่เนไรครูแต่ว่าเนี่ยแบบเนี้ยหมอะควรนี่จะใช้คําว่าบทลงโทษมากกว่าแบบตรทานเอาแรงตอนนั้นเนี่ยใจเราขี้อย่างนั้นจริงจริงประสบการณ์สองก็ต้องยอมรับว่า ลักษณะของใจเราเห็นมันเป็นโปรดอโทษเวลาผมพูดเรื่องความโกรดเนี่ยนะคนชอบมาถามแล้วจะปล่อยที่คนชั่วร้ายนวเหร อ, อจะไม่โทษตอบเลยเหรอและจะปล่อยให้เขามาได้ยังนี้เรื่อยๆเยอะอะนี่ขนาดนี่ล่าสุดนี่ชัดที่สุดเลยนะผมตรงนั้นเนี่ยคือยังไงมันก็มีสองพวกหลากๆ คือจริงมีมีเหลอื่นมากลา้แต่ว่าถ้าไม่บ้าอำนาจก็มีอำนาจจริงไมเป็นพวกจากฆ่านาจเพราะมันไม่มีอำนาจอื่นในมือแหนมันมีอยู่สองขั้ซึ่งคนสมัยนี้มันบ้าอำนาจนจริง้ความบ้าอนเนี่ยมาในรูปของผู้จากเชื่อเราเลนี่เปลยเวลาหรือไม่ก็ มังทีนะมันเป็นเชื้อโรคทางวิญญาณติดต่อมาจากเจ้าหนายคนเก่าของตัวเองคือโดนอย่างนี้มาต้องรออีกนานนเว่าใครจะมาเป็นแพะวิ ท, ทยาได้ต่อไปโดยเราอ่ามันก็บางทีเนี่ยคือมันไม่ได้มีวิธีการแบบว่าทำยังไงเราถจะเปลี่ยนแปลงเขาได้ แต่มันเป็นโจทย์จริงๆว่าทํายังไงเราเขียนบทลงโทษใครเป็นแบบตัวแทนนะคือมันไม่ใช่รีบเปลี่ยนมุมมองทันทีเพราะบางทีมันถักนานความเชื่อของตัวเองมากเกินไปแต่มันสามารถเริ่มต้นได้จากการที่ว่าเ so น, นี่ยเราเจริญสติเนี่แหละเจริญสติมประมา่อีานความเชื่อของมันให้ใจมันเป็นควางจากอาการชิด เอ่เร hey, ื่องที่มันเป็นขยะทางอารมณ์จากนั้นพอขยะทางอารมณ์มันแย่มาแหมในระหว่างที่เราเริ่มรีแลกซ์อย่าช่วงเหนื่อยก็ขยะทําอารมณ์เข้ามาเราจะรู้สึกว่ามันเบาบางมันเหม่นน้อยลงไม่เหมือนตอนที่เรากำลังรู้สึกแย่ตอนที่เรารู้สึกแย่ถึงจะอยู่ที่บ้านถึงอที่ยู่ที่ต่างอากาศพอนึกถึงขยะทางอารมณ์พนั้นมันเหม็นทันที นันอยากทนมั่นคือเหมือนไม่อยาก ท, น, น, น, ก น, ทนไมได้นี่คือความแตกต่างเป็นสภาพทางจิตของเราถ้าหากว่าไม่เจอเรื่องสติถ้าหากว่าไม่ ม, มาทําทำน่ะ ม, มันเหมือนกับไม่มีอะไรเป็นเครื่องช่วยจริงๆแต่เ่อมีทำน่ะเป็นเรื่องช่วยแล้วจิตใจของเราสว่างจิตใจของเราเยือเย็นพอพรางนั้นแนี่ยที่มันมีกำลัมากขอที่จะ มองเห็นว่าคนร้โงทษมันเป็นแบบขาดได้พูดง่ายๆคือว่าเราไม่สามารถเรียกร้องจากข้างนอกให้เขาปรับเร่าห่อยแต่เราสามารถมาตั้งตรวเป็กตั้งทิศทางกาตัวเองว่านี่เรยายาเอาอย่างนี้ข้างนอกเนี่ยเขาไม่ยอมแต่ข้างในเราต้องดีกว่าต้อง ทำให้ข้างในเนี่ยมันมีความสุขมากกว่าความทุกข์ที่จะมากระทบเราแา่ข้างนอกแล้วความสุขที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยง่ายๆเดี๋ยวก็คือเริ่มตน้นฝึกยอมรับตามจริงแต่ราคาที่ง่ายที่สุดเช่นลไหายใจมันเข้าอยู่หรืออกมันไม่ใช่ฝึกแบบวันลสิบนาทีแต่ฝึกทั้งวันคือ รู one, that, Now, say, ้สึกขึ้นมาเมือไห่ลึกข้นไมืไหก็เลยลึกไปเจอนตอนนี้ก็นำหายใจเขาหรือหายใจออกและในขณะที่หายใจเ้าออกหรือหายใจออกอยู่นี่เราท้าทำใจเป็นไรนี่แบบนี้เนี่ยทีนี้ก็ทำเป็นหือมเป็นแบบพอเจออะไรแย่ๆเนี่ยงทีเข้าใจนะคือมันลืมไม่ไม่รจะเอาแบบไหนร่างอะไรยังไงนต้องตรเนี่คือต้องอยู่เราตลอดอย่างที่พรามเรียกว่าเป็นวิหารธรรม คือไม่ใช่เอามันเป็นวิธีสุตสมาธิสินารีตอวันแต่นั้นมันไม่ใช่อะไรเป็นส่วนมันไป็อะไรนี่ยมันแป๊เดียวแต่การที่ เ, เราจเจริญสติอยู่ตลอดวันตลอดคืนคือไม่ใช่ให ม, มายความว่าเห็นต่อเนื่องยี่สิบีชั่วโมงตลอดวันตลอดคืนในความหมายก็คือว่านึกขึ้นได้เมื่อไหร่มไม่เกี่ยงสถานที่เราฝึอกอันทีนะนี่นก็เป็น มันมันก็ได้อยู่นะฮะถ้าหายใจแล้เมื่อกี้ที่หายใจด้วยลูหความสะวันด้วยมันมันแท้แท้ปลุกฝันค่อยๆพร้อมก็ค่อยๆผมให้มาคืนมาคืนความร่มความว่างมันจะมองเห็นเลยว่าคือของคุณเนี่ยพูดกันตรงๆ ง, ง, ง่ายๆนะที่มันทนขยะความอารมณ์ไม่ได้หรือทนแบบอุตส่าหไม่ได้สาเหตุหนึ่งเพรมมาะนี่าะ ที่แก่ไเป็นปีล่างไข่นี่พูดกันถูกเลยนะอยากเป็นบอสคือเป็นบอสที่แบบเออไม่ไม่เอาอะไรกายลูน้องมากเลยนะไม่มาเบียดเบียนลูกน้องเลยคือแต่ความอย่างตรงนั้นเนี่ยมันอยางวิ่งไปไปถึงมันยังไม่มีเออหือความจริงที่รองรับ้ามันเหมือนกับเรารู้สึกว่าไในตรงนี้เราน่าอยจาก เองได้แล้วนะคือมันมันรู้สึกลึก ล, งลงึกว่าไม่ไม่อยากไป under ใครเลยนะเพลงแต่ว่ามันยังบ้าบ้ากลัวเพราะว่ายังไม่พร้อมไม่ได้ใชอะไรอะไรอย่า ง, า ง, งาานีงารราางง้นอ ะ, อ, ะ, อ, ะอยากให้ไปคู่อยากให้ไ ป, ไปอะไรมันก็ยังไม่อยากเสียคือมันมันจะมีอะไรที่พูดง่ายๆว่าเป็นอะไรที่มันสามารถเป็นได้เองอยู่แล้วแล้วตรง น, นั้นเนี่ย มันสามารถใช้อธิบายเองได้ว่าเออทําไมมันถึงยังไม่เห็นได้แห่งใจแต่มันต้องอธิบายเองไปบ่อยคือ ไ, ง ไ, งไม่งั้นมันจะลืมไม่ได้กลับไม่ได้วกกลับไปว่าเอออยากเป็นอิสระสักทีคือแยกตอนที่บอกว่าอยากกำลังเปลี่ยนทานใหม่จริงใจอ่ะเกิดเกิดจะเท่ากันเนะงานเก่ากับงานใหม่เพราะมัไม่ใช่ของเราอยู่ดีมันใหญ่ไปใช่ไหม ความพอใจมันถ้าพูดถึงทางโลกอ่ะมันยังมันยังกั้มกั้มตื่นต่นคลื่นคลื่างกลางนี่ถ้าเราเห็นเหยีเห็นยดผลคือเห็นเหยเห็นยดผลทางจิตนะว่าเนี่ยใจของเราอย่างแล่งไปไม่ถึงความจริงได้โทษความจริงยังยังแล้งมาไม่ถึงความจงใจของเรานี่ยตอนนี้มันก็จะรู้สึกคลาย ไม่งนมันเหมือนกับถูกขาดถูกอยู่ข้าไหนความต้องการที่แท้จริงมันไม่ใช่แค่เราว่าเราอยากจะเป็นนักวิเคราะห์อย่าง้มีเวลาแบบที่างเดียวอยากจะทำอะไรตัวเองด้วยที่าท้ายก็คือผมคิดว่าลักษณะของผมเลยเป็นเรื่อชอบคิดชอบวิครชอบดูว่าสาเหตุมันออะไรถ้าเวลา อธิปัตย์เนี่ยก็เลยเลยมีคาคิดฝันว่าจริงๆเราน่าจะเรียนมากไม่ทำไปด้วยตอนนี้ก็เลยถ้าไม่ไม่เรียนเลยเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ตรงใจแต่ถ้าเรียนมากไปก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่มาสนับสุนเอการอิปันนี้ก็เลยถามว่าะสมดุลมันน่าจะอยู่ตรงน้อยกระส เมื่อสูตรเนี่ยมองเมืสูตรเนี่ยยากฟวาการพิจารณาอีกนะคือเราจะเห็นจริงๆนะว่าความยากความง่ายของตั้งแต่ประสบไม่ได้อยู่ที่คำดแต่อยู่ที่ประสบการณ์ที่เห็นนะว่าเรายังไปไม่ถึงคือพอยังไปไม่ถึงมันไม่พอใจมันก็เลยเกิดความอยากจะทำความไใจ แล้วก็คิดว่าประสบการณ์การปฏิบัติธรรมมันสา ม, มารถทำความเข้าใจกันได้ด้วยการอธิบายวิชา้นเจนจากต้นจนปลายแต่ทุกวันนี้นีะคือการวิทยาของจริงเนี่ย น, ะออ น, น, ยน้อยคนมากๆเลยนะที่รู้ที่ที่อ่านทะลุในกระวิสุทธิธจริง ส่วนใหญ่คือเราก็มาศึกษาจากคูบาจารที่ท่านหิยย่อยง่ายๆแล้วนะคือมาจากทําให้เป็นหมวดหมู่ทาให้มันมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นต้นเป็นเป็นรากปลายเมื่อตัวอยางเช่นเออพูดถึงเรื่องจิตจะแนกจิตออกเป็นวงๆก่อนนะแล้วก็ค่อยมาจะแนกเรื่องจิตติค่อยมาเอออธิบายว่าจิตติมันมีเหตุผลต้นไปอย่างนั้นอย่างนี้นะมันเป็น ตแต่ธนาคาจิตดวงทุกดวงหรือเปล่ามันอะไรต่อเมื่ออะไรต่างๆนะมันมันจะมีความรู้สึกว่ายิ่งศึกษาไปยิ่งเข้าใจแต่ถามว่าพอดูเข้ามาข้างในมันเห็นได้มากตามนั้นไหมนะั่เราจะตอบตัวเองไหมว่ามันบางทีเนี่ยจิเกิดราวัานอะไรใหญ่ขึ้นมาบางทีมันนิยามไม่ถูก แต่เคยเจอเ น, นี่ยเคยเจอนันกวิทยาร์ประเที่กาพันียามจิตในขณนะนั้นของตัวเองออกมาเป็ น, ปนศาสัร์ได้ว่าประกอบจิตประกอบด้วยอะไรบ้างไม่มีประโยชน์สําหรับนักวิเคราะห์ยิ่งการศึกษาพระวิทยาศาร์ไม่ใช่มีมันมันทําให้เกิดความอิ่มใจได้ตอนที่ยังรู้สึกว่าตัวเองไปไม่ถึตรงนั้นขอแบบได้รู้ ความเข้าใจไว้ก่อนป่านสุตตาไม่ยปัญญาป่านจินตามไมยปัญญานก็เอาเป็นว่าจุดสมดุลเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าถ้าศึกษาพ้านิพระธรรมอิทธิธรรมอิหลงธรมปิรรมหามถ่านเลยไก็แล้วแต่นะแล้วเรารู้สึกว่าอ่านไปพิรนิพนีแล้วก็สามารถเชียรกิจของตัวเองได้ อย่างนี้จะมีประโยชน์คือไม่ต้องไปถึงขั้นเรียนเอาปริญญาหรือว่าเอาประกาศนียบัตรจากไหนไปได้แต่เอาแค่อย่างมาเริ่มต้นมาบอกว่าครูสอนจิตเป็นอย่างนี้อาจารย์สจิตเป็นอย่างนี้แล้วเที่ยวได้ถูกว่าเลยเนี่ยจิตของเราเป็นกุศลหรือไกุศล อ, อยู่แค่นี้น้ารับแต่ มันเป็นไปนตามหลักของนักวิเคราะห์นะครับคือนักวิเคราะห์ที่แสจิงเนี่ยไม่ใช่นักวิเคราะห์ อ, อยู่แค่ในหน้ากระดาษคนส่วนใหญ่เข้าใจว่านักวิเคราะห์หม่ยถึงเป็นเสือกระดาษคิดทิศออกแต่จริงๆนักวิเคราะห์เนี่ยคือคนที่ลงพื้นที่จริงด้วยดูในกระดาษก็ลงพื้นที่จ ร, ราาิงสลั่งแบมันมันถึงจะเป็นเรียกว่านักวิเคราะห์ข อ, ของแส้ม่ใชนักวิเคราะห์ในเชิงพุทธศาสนาในเชิงนวติกา ก็สามารถที่จะเป็นคนที่อ่านตำราแล้วก็นามาเทียบกับสภาวกิตของตัวเองถ้ากลัวว่าเออไปเรียนเป็นเรื่องเป็นราแล้วเดี๋ยวมันจะต้องใช้เวลานาะเอาใช้เวลาน้อยนอยนี่แหละแต่ได้ผลจริงจริงคือดูว่ากิตแบบหนึ่งเนี่ยเรารู้ไหมว่ามันกำลังปรากฏเนี่ยเขาเรียกว่าเจไรกิจสิ่งแบบหนึง่งที่กาลังปรากฏในขณะเนี่ย เราไปเทียบเคียงหลังจากที่ศึกษาแล้วเนี่ยนะในในบทแรกๆเราสามารถเทียบเขียงได้ไหมถ้าเทียบเคียงได้แค่นี้ท่านพี่แล้วมันรู้สึกว่าเป็นการวิเคราะห์จริงๆในความมีใจตรงนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราต่อไปในการไปเรียนเทียบโรงเรียนอภิธรรมหรือว่าจะต่อมาในเรื่องของการนัประมาธิเดินจงกรมนั้นสุดแล้วแต่ ว่าความเต็ดใจในะเวลานั้นมันจะลดไปไ้นในตามไหนนะอย่นีหนึ่งอย่างอย่างนี้เลยเย่ยนอเลยก็คืออยากให้ทุกทนช่วยแนะนำเรื่องเกี่ยวกับการเตริญปณิยกรรมสนาธีคือโดยเฉพาะเรื่องสมาธิคือใจอยากจะาทามาธิได้เยอะแต่ว่า ตอย่นะเี่ยเกิดความไม่ต่อเน่ยแล้วก็อยากถามว่าถ้าเกิดทาได้แล้วเนี่ยมันจะออกมาใช้ได้ยังไงบ้างของเราโดยนั่นเดิมเนี่ยความคิดมันเป็นประเภทคิดแบบมวหมคิดแบบโมวหนะเข้าใจคำว่าคิดแบบโมโมไหมคือคิดไม่ชัดเจน แต่ตอนนี้จริงๆแล้วดีขึ้นเหมือเดีมยวนะคือมันคิดอะไรในาธรรมะมากขึ้นมันก็รู้สึกเหมือนกับมีความสว่างมากขึ้นไอ้ปวมหัวเนี่ยมันยังอยู่แต่ไม่มัวเท่าเดิมสมัยก่อนเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกันมีอะไรมวลอยู่ในหัวอยู่ตลอดแต่ตอนนี้บางทีมันก็เวียนว้าไปแต่เสร็จแล้วมันก็กลับมามัวใหม่ อนตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตอนหลับตาแม้กระทั่งตอนนั่งสมาธิหลับตามันก็ต่างไปมันเป็นจิตเดียวกันเลยมันเป็นการรูงแต่แงจิตแบบเดียวกันเลยมันต่างแค่เรับ้าหรือรอือ่อตาการทํำสมาธิไม่ใช่การที่เราล็อกเวลานั่งหลับตาแล้วก็จะดูลงหายใจจะบริกรรมําไหน แต่การนั่งสมาธิหรือว่าการทํำสมาธิที่แท้จริงเนี่ยมันคือการติดตามดูว่ามีความรู้สึกอย่างไรอยู่มีไอความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยมันยังคงอยู่หรือว่ามันเปลีป่ยนแปลงไปแล้วอันนี้คือนิอยามของสมาธิแบบพุธทธี่แท้จริงห ม, มายความว่าถึงแม้เวลาที่ เ, เรากำลังลืมตายอยู่ในระหว่างวันนี่ ถ้าเกิดเห็นไอ้ความคิดแบบมดหมดหรือว่าความคิดไม่ชัดเจนมันปรากฏขึ้นมาคือเราแค่รู้มันแค่รู้สึกถึงมันรู้สึกให้ได้บ่อยในจ้องจ้องหลังๆเนี่ยมันก็รู้ว่าว่าคือเนี่ยมีอะไรมดหมดครอบลงมาถ้าเหมือนบางครั้งมันก็หายไปบางครั้งก็ครอบได้แค่นี้ดีแล้วแค่นี้เป็นส่วนหนึ่งของสมาธิแล้ว การทำสมาธิแบบพ้นเนี่ยมันต้องดูให้เห็นมันต้องมีโฟกัสที่กับอะไรอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยในชีวิตของเราเนื้อเสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยในชีวิตเราก็คือเหมือนมีอะไรโรยลงมาตามมืโดโรยลงมาครอบมันเหมือนมีคนสองคนเวลาที่ฟัง ความหมดมันสามารถครอบเรบได้เราอาจะย้อนกลับไปคิดเศร้าคิดองสารตัวเองคิดในทางที่มันไม่ดีเหมือนแบบชีวิตยังไม่ค่อะเจริญแต่เมื่อไรที่ความสว่างหรือว่าสติที่เป็นจิตที่มันเป็นอุปสนเนี่ยมันมันจะรู้สึกหัวเปิดมันจะรู้สึกว่าอะไรที่มันคลุมเราเนี่ยคลุ่มเราไม่ดี่ะ ถ้าตอนนั้นถึงชีวิตมันกาลังแย่ๆอยู่เราก็รู้สึกว่าชีวิตมันจะเริ่มแล้มันจะเริ่มตั้งแต่ข้างไหนไม่ใช่จเริ่ลงมางแต่ข้างนอกตอนนี้อย่างห่อที่สุดมีความเชื่อที่แข็งแรงพอที่จะเรียกว่าเป็นศรัทธาได้ศรัทธาในการเดินทางแบบอุด สิ่งที่เหลือก็คืออะไรเราอย่าไปตั้งเป้าเปว่าเราจะต้องทํำสมาธิได้อย่างนั้นอย่างนี้เพราะพอไปตั้งสป้าเปกุ๊บเนี่ยมันไม่สนใจสมาธิครับน่มันมมยังมีอะไรดื้ๆอๆครอบเราไดอยู่มันยังมีโมหะที่เหมือนเปรตเสมือนกับเงี้งหอบที่มันบดบังทัศนวิสัยไว้ไม่ให้เราเห็นอะไรอะไรชัดเจนมันยังครอบเราได้อยู่แต่ยังดีช่วงนี้ มันมาเป็นเวลาตกเย็นบ้างหรือว่าเช้ามบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะมั น, ม, นมันไม่ใช่เมืองหมอกที่ปิดเป็นเป็นเมืองหมอกเหมือ น, มอมนสมัยก อ, อนเค่นี้ก็ดีสมถะเราอย่าไปเร่งรัดคาดหวังว่ามันจะได้สมาธิอะไรขึ้นมาในเรยวนี้แต่เราตั้งแต่ว่าจะทำสมาธิแบบปุ๊บเจริญสติไปเรื่อยๆ เมฆหมอกที่มันเกิดขึ่ามาคือมีกำลังใจแล้วละกันที่ทําอยู่ัถูกแล้วรู้ง่ายง่ายแต่ว่ามีกำลังใจที่จะทําจริงๆเทาแล้วกันทาถูกแล้วแล้วก็สอให้ทํำจนกระทั่งเกิดสมาธิสมาธิที่จะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในหัวเราในขอบเขตของกายใจเรามันเปลี่ยนเหมือนกับเมฆหมอกมันลอยตัวลงมาแล้วยังไม่กันก็เราเห็นมันสลายไปช่วการยอมรับ เรางทำตามจิงถ้าอะไรมีความรู้สึกน้อยใจมีความรู้สึกแย่ยๆเกี่ยวกับวาสนาเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยนะ ท, ที่ที่มันคอยรบกวนจิตใจนิยามันไม่เลยล่วงหน้าแล้นั่นคือโมหะแท้รรจริงแล้ว เ, เราเจริญแล้วเป็นผู้เจริญแล้วเราเป็นผู้ที่สว่างแล้วเ๋ย่าไปเชื่อความคิดที่มันเกิดขึ้นขณะที่เกิด เน้นของโมฆนะคเราบ็รู้สึกรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทไม่ไม่ยุคคอว่าเหมือนกับไปเสียเวลาอะไรกับบางอย่างอยู่เนี่ยครไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าเราเอาประเด็นหลักคือสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้เห็นได้อยู่เรื่อยเ่อยดีกว่าในการเสียเวลาการทุ่งี่นั่นอะไรเนี่ย คือมันเป็นเ ร, นนะนะรนนะื่องคารวะแะนะคารวะเนี่ยทํามงานว่มันเดิมไม่เรื่องหัวตัว่็เรื่องบริษัทอะไรทั้งอย่างเนะี่ยอย่างที่พระเจ้าตรัสไว้คาระวะเป็นางมาของุรียังไงก็ต้องเพื่อนไปตามกันอย่ามวมาคิดว่าเอเราไปเสียองเวลาเลยเนะียคื อ, อ, อการเสียเวลาเนะี่ยที่แท้จริงเนี่ยนะคือการที่ เราเราคอยเวล า, าเมื่อไหร่เราจะหลุดจากความเป็นอย่างนี้แล้วไปได้ปฏิบัติเป็นที่สักทีไม่อย่างนี้เสียเวลาแที่จะมีแต่าาอาการรอรอรอถ้ารวม ก, กันงนอกใจเลยบางทีเนี่ยมันห้าสเปอร์เซตของชีวิตเลยนะที่เกิดอาการรอร่าแบบสุดแปลไม่ได้เจริญสติไม่ได้ทำให้สติเจริญไรขึ้นมาเลยการที่เวลาที่รู้สึก เฮ้ยนี่มีอาการรอแล้วมันค่อยๆยืดออกไปข้างหน้ายืดออกไปหาอนาคตที่ไม่รู้ว่าที่ไหนเมื่อไหร่เราเห็นเ อ, อ้นี่เป็นการยืดที่สุดแล้วนี่สติจะเลยแล้วพอมันมีอาการเคยชินที่จะรอแล้วก็มีความเคยชินใหม่ที่จะเห็นอาการรอหน้าตามยืดๆแบบลอยๆเหมือนกับคนขัญว่านแะต่แต่ฝัญหวานแบบเศ้า อันตรายยืดแบบแบบนั้นเนี่ยมันถูกเข็นแต่ละครั้งทีละครั้งทีละครั้งเข้ามาเนี่ยนักสะสมเล่นสติเหมือนกับอย่างที่เราเคยรู้สึกถึงอะไรที่มันอารมเมื่อเมื่อนี่ยนัอยู่ๆมันก็นี่แค่ลมมันก็หายไปมันมันมันมาทีละนิดเพียงหรืเป็นปีๆมันถึงได้มาถึงขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะยังมีอยู่เราก็รู้สึกว่า ได้ถานแลวว่าจะรู้เป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนกันอาการเราอาการเก่งว่าเรามนแต่เสีเีเวลายุ่งเหรอ่า บ, บอกตัวเองเลยเรามูแต่เสวลาดอนนั่นอเนี่ยตัวเสวลาที่แท้จริงครับทำมีคครับคือคือบางคน ค, คืผมไม่ได้อยากจะแนะนใครไม่อยากจะแนะใครนคี่จริงใจจริงนะแต่ว่าคือบางทีมันต้องแนเพราะว่าคือเขาคือดูแล้วเขายัาง เป็นคนท pues ี <S <S ่เราต้องแน่เพราะไม่แน่เาจะรู้สึกผิดอะไรแต่ว่าพอแน่เขาแล้วแน่เขาไม่เขามีโกอะไรย่าเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเรามันก็ไม่อยากจะไหนพระเจ้าท่านตัดไว้ว่าถ้าแน่ใครได้เป็นบเนี่ยเรามีความเหมาะสมแน่ไปเถอะแต่ถ้าแน่แล้วเหมือนโรธสาแทกงบาปหรือว่าตัวเราก็กลายเป็นอุตรซะเองเนี่ยนะก็ให้เอาไปขาคือพรหมีหาร เนี่ยด้วยการสอนไว้มีเมตตามีกรุณาหมายความว่าคืออยากให้เขาเป็นสุขแล้วก็จะาลงมือช่วยเ้าถ้าช่วยได้ก็มีมุขทิฏฐาให้ดีไปแต่ถ้าหากช่วยไม่ได้ก็ทําใจให้เป็นกางสัตว์โลกเนี่ยมันเป็นไปตางกันแต่ละคนมีกรรเป็นของของตนเองมีเส้นทางของตนเองถ้าหากว่าเส้นทางของเขากับเส้นทางของเรายังขึ้นมาประจวกกันก็ทําใจว่าเออเนี่ยเราเห็นแล้วนะว่าเรามีเมตตาแล้วมีกรุณาแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาต้องรู้เหตุผลเย็นเย็นนิดถนึงมันัต้องเอาใจนิดหนึงตัวนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยนเจออยวผส่วนน้ำคางให้ได้ฮัลโหลได้ยินแล้วครับก็ที่ผัานมครับคือ เคยเปิดใจครับแล้วก็ไปทำผิดก็คือไปรักพี่คนอื่นนะฮะแล้ในขณะเดีนเนยวกัเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลเขาได้นะครับเรามีความรู้สึกที่มันมที่มันมีอยู่คือว่าเราก็พยายามทำให้มันถูกต้องนะครับแต่สิ่งที่รู้ใจคือมันเป็นความรักกับความรู้สึกผิดซึ่งความรู้สึกผิดเนี่ยมันจะมีค่อนข้างเยอะแล้วมันจะวนเวียนวนเวนเรื่อยๆก็พยายามดูตรงนี้ก็คืออยกจะถามพี่ว่าผมควรจะดูยังไงดี เรื่องที่มันเป็นความยุติแบบชายหญิงเนี่ยนะตามหลักกาเรเดินสฏินวเนี่ยมันมันดูไม่ได้นะมันต้องแก้เอาด้วยวิธีการหโลกอย่างน้องที่เป็นไปได้ก็คือว่า ค, คือเปลี่ยนจากนี่ความรู้สึกมันจะว่า สงสารให้ใจเป็นความรู้สึกว่าเรามีความสุขในการดูแลความจริงๆจะดีกว่าคืออย่าไปพยายามดูถ้าดูเท่าไหร่เราก็จะเห็นใ น, ในในความสงสารนี่ก็เป็นเรื่งของจริงเหมือนเห็นตัวาไปในธาตที่มันเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเราจะไปพยายามเปลี่ยนที่มันเป็นเดิมธาตุคำว่าธแผล เหตุผลว่าถ้าแทนความรู้สึกยิ่งเราไปพยายามเปลี่ยนมันเท่าไหร่มันยิ่งย้อนกลับมาตั้งกำลัง ข, ของข อ, องเดิมให้มันแบ่งบ้ามากขึ้นเท่านั้นเหตุผลว่าอะไรเพราะว่ายิ่งเราไปพยายามที่จะทําให้มันเป็นเลยหรือว่าบอกตัวเองให้มันว่าเออมันมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยมันยิ่งแสดงตัวามชัด เ, เด่นมากขึ้นเรื่อยๆไอ้ตัวความจริงเนี่ย ที่เราไปหยาบมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันยิ่งอบอกย้ำให้เรายึดว่าในความจริงมันเป็นอย่างนี้ตามหาแาู้ความจริงเรารสสงสารไม่ใช่นักดูแม่จะไม่นักแต่นักที่องกอกออกมาจากความสงสารทีนี้ถ้าเรามองเห็นปัจจัยที่ทําให้สงสาร เป็นปัจจัยที่ทำให้เออคนบางคนเนี่ยมันน่าสงสารเป็นกระตั้งทาให้เรารู้สึกเพือนกับรกักรกเพราเห็นความจริงอย่างนี้นะเราก็ก็เข้าไปอยู่กับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าไม่ใช่พยายามดูใจแล้วอั้งคำถามตัง้ตงโจรสักจะดูใจยังไงที่มีความสุขไปกับตร ง, น, ตงนั้นกะน่าสงสานะรสานะาเนี่ยความนสงสารเนี่ยกับความสุขเนี่ย มันโบราณไปไหมมันเป็ น, นเรื่องการสงสารเนี่ยมันกลุ้งกลกันระหว่างความทุกข์กับความสาุขเราสงสารใครได้เนี่ยแปลว่าต้องมีความสุขในการมองเราอบ้านมีความสุขในการมองเห็นเขาอยู่บ้านส่วนในค้ความทุกข์ก็คือความรู้สึกว่ามันเหมืนติดฟาติดตัวมันเหมือนแกัเรากำลังอยู่บนเส้นทางที่ มันมันถามตัวเองถามตัวเองอยู่เรื่อยๆทำไมไมันเป็นอย่างนี้ทำไมเราต้องมาติดเหมือ น, นเหมือนกับติดกับดาบบางท่านที่ไม่มีไอจิตไม่มีไอวางความยากด้วยพอเราเริ่มมองว่าโอเคมคสาสงสารเนี่ยอยู่ๆมันมาตั้งโจทย์เด็ดไม่ได้แต่ว่านะเราสามารถที่จะเติมเหตุปัจจัย ที่ทำให้มันเปนลี่ยนแปลงได้ตามธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นนะความแบบถนาดททีที่มีต่อการค่ามเกิดบุญกันอะันนี้พระเจ้าตรัสนะฮะมันเป็นเหตุใ น, นความรากที่แต่จริงได้การที่บางทีนะเราจะไม่รู้สึกนะเ น, นี่ยไปทำบุญทีละครั้งทีละผลแต่และครั้งไม่ทะเลอะกันเลยแต่และครั้ง เห็นตามกันว่าจะทำบุญแบบไหนไปช่วยเด็กไปช่วยคนชราเอาอาหารได้ใ่บาตรไปเที่ยววัดสวยๆตางจังหวัดแต่ละครั้งที่มันมีความสุขร่วมกันมันคือกำลังของความสุขที่แท้จริงเป็นกำลังของความรุ้สึดีๆที่มันไม่ใช่เมคเอาแต่มันเติมเข้าไปจริงๆ ทำให้มันเกิด <containment> ขึ้นจริงๆเมื่อฟังดูมันเหมือนแบบเราเองเราแบบอาจจะมีจุดที่เราทำให้เราไม่ยินใจไม่ยินใจจริงๆไม่เต็แใจจริงๆตรงนั้นเนี่ยก็ที่ห้มอกว่าจะเป็นรูปภายนอกหรือว่าจะเป็นความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ที่มันซับซ้อนของอนุม์เนี่ยนะ ให้มองว่ายังไรตรงนั้นมันก็เป็นแค่ทุกขเวทนาชนิดหนึ่งคือแตปไป้าให้ในตัวเองว่านั่นเขาเรียกว่าเป็นทุกขเวทนาหรือจะบอกว่าเป็นเหตุแห่งทุกขเวทนานก็ได้ทุกเวทนานั่งใจตราบใดที่ใจของเรายังรู้สึกว่าจะต้องหรือว่าอยากจะรับผิดชอบต่อไปเราต้องเพิ่มสุขเวทนาเข้ามาไม่ใช่ให้มันมาแทนที่นะไม่ใช่ให้มันมาเหมือนแบบมาล้างกัน แต่ทำให้ส่เวสเวทนาเพิ่มขึ้นจนมากกว่าทุกเวทนาที่มีอยู่แล้วเราจะลมทุกเวทนาไปพรงนั้นความรู้สึกมันจะแตกต่างไปป็นคนละเรื่องคือตรงเนี้มันเป็นการทาความเข้าใจเรื่องจริงว่าความรู้สึกเนี่ยมันแกลงไม่ได้ไม่มีทางแต่มันสามารถเปลี่ยนได้ถ้าหากว่าเราเติมเหตุปัจจัยเข้าไปใหม่ สวัสดีค่ะพี่ตุนก็จีนจะถามค่ะพี่ตมื <laughs> ่องต่อสาี ครูสอะจีนนะคะเองก็หลังจากที่สุดทางทานตามลำหนาบแบบที่พี่ตูน2ผ่านมา2อสามปีมันก็เริ่มเห็นความสว่างที่ตาใจมีสองสามครั้งที่ให้เงินขอทานหรือว่าไปซื้อคุกกี้กับคนตาบอกเนี่ยมันรู้สึกมีความสุขมากแล้วมันก็เริ่มเห็นวนะ่าอ๋อครูสอนละเอ้ยครูสอนตใจเป็นแบบนี้แล้วก็เริ่มตกใจพี่ตูนว่าว่ทาทั้งชีวิตเนี่ยโอ้โหมันพึ่งว่า นี้เองหรือว่าไปกาบพระเจดีย์พิศสิทธิ์ทีนะ่เราทำคือตอนนี้มันสว่างอยู่ที่ใดนะค่ะอัะนนี้คนอันนี้เป็นธรรมชาติเลยเกิดมาพรอ้อมกับอุปสมบจิตไม่ใช่กุปลจิตเพราะว่าก่อนที่เป็นเบบีเนี่ยมันเรียกร้องเอาอย่างเดียวน่ากุปลจิตที่นั่นน ะ, ะที่โตขึ้นมาโอกาสที่จะเกิดความอยากให้อะไรแ น, น้อยนะนี่คือพอ ม, อมาเจริญสติก็มา ทำบุญทำทารอะไรแบบที่อย่างกี้มันจริงตอนนี้มันก็เริ่มดีไปแล้วมันมันเหมือนออกจากเงามืดเข้าสู่เงาสว่างน่ะค่ะแล้วก็ทีนี้มาถึงเรื่องการตรวจราจรสตช่วงช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็พยายามทำแบบไม่เล่นน้อยช่วงเช้ากับก่อนนอนก็ถ้าไม่นับสองสาวันนี้ช่วงก่อนก่อนก็รู้สึกถ้าตัวเองมีวินัยเรื่องการกินการอยู่หรือการออกกําลังกายน้อยลงเนี่ย การเจริญสติมันจะดอกตากแต่ว่าถ้าเราชูบตัวเองขึ้นมาออกกําลังกายเนี่ยก็เหมือนจะกลับมารู้ได้แต่รู้ในที่ น, น, นี้ไม่ในหมายถึงจมกูกแต่มันก็จะรู้ลมหายใจพร้อมกับรู้ความฟุ้งที่มันหมุนวนๆนแล้วก็มันจะตีคู่ไปกับลมหายใจค่ะก็เลยคิดว่าตัวเองคงจะต้องแบบมีวินัยในการออกกําลังกายอันนี้คือเชาวเปรตว่าเนนะี่ยผิดของเราเนะี่ยมันอยู่ใน ขากแวที่พร้อมจะรู้ว่าอะไรตามจริงครับเราพอใจแค่ตรง น, นี้ก็แล้วกันไม่ว่าจะเห็นอะไรฝุดอะไรได้แค่ไหนเนี่ยทำความรู้สึกสมาี่จิตถ้ามันยังรู้สึกเหมือนมีความตรงมีความสะอาดปรญญาศจากเอ้การคิดแบบเพียเ้ยนนะตรงนั้นเนี่ยถือว่าโอเคแล้วไม่ว่าเราจะเห็นอะไร่ถือว่าเป็นการมีสติจริงๆแก็ลแล้วก็ เอทีนี้มาถึงเรื่องฝึกในชีวิตประจําวันเนี่ยเองไม่แน่ใจว่าทําถูกหรือเปล่าบ่อยครั้งเองจะมาดูที่อีเดียบดใหญ่คือพี่ตูนจะบอกว่าให้ดูลงก่อนคิดจีกนี่มแล้วคือมันจะเริ่มตั้งหลังรองเนี่ยเป็นอันดับแรกอืก็ก็จะรู้สึกว่าการที่มาลุกไก่ทั้งแท่งเนี่ยมันจะเป็นมั่นคงกว่า ใช้ได้ชคะแล้วก็นอกนั้นก็เรื่องคุณแม่เรื่องอะไหไมพิจารณต่อมหมดแล้วก็คงไม่มีอะไรค่ะถึงตรงนี้ไม่ตมีอะไรแนะนำไหมคะดูแล้วตอนนี้มันก็หน้าือดีนะเออมันไม่มีอะไรติโนอนนิดนี่หน่อยที่ผ่านมีคก็อีกนิดนึงที่นึได้นะคะคือเริ่มเห็นแล้วว่าที่ตัวเองเป็นโรคคือช่วงเนี้ย อาการทางกายก็ทรงกับดีขึ้นเก็มีความรู้สึกว่าเพราะมนจากจิตที่ดีขึ้นนะคะก็พบว่าจริงๆสาเหตุของโรคทางกายเนี่ยมันก็จะเห็นทิศสายของการเป็นคนเจ้าเราดีอย่างต้องอยนิ่งนิ่นินนนเลยทาให้เราเครียดอาวารเครียด ไ, ไปเนี่ยนีสานเรื่องพิมันก็หายไปตามด้วย ก็คงจะทำเหมือนเดิมต่ไปงไงก็ขอบคุณนะคะที่ช่วยเหลือในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกับเราผ่านช่วงปิดมาแล้วคะแนะนำดีกว่านะคะขอข้อคำถามดีกว่านะแต่แนวดีกว่าก็ดูตัวความรู้สึกเหมือนกับ มันทีอย่างความความรู้ใจอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันโผล่ขึ้นมาบ่อยๆจริงๆแล้วเราดูได้ว่าเออเนี่ยแต่ไม่ใช่ไปท่องว่าเอ้ยนี่เรากำลังบุ้งสร้างเรากำลงบุสร้างอยู่หรือว่าบุ้งส้างหนออะไรอยเงี้ยนะเนี่ยมันไป่เบิกหรอกปมาว่าเออเราเห็นความบุงสร้างขึ้นมาที่เราหายในี้ให้เราหายใจดึงกระตากไป้ไหมถ้าความวิตวัยใจความว่ามรู้ใจมันปรากฏ โดยความเป็นของที่ไม่เท่าเดิมได้มันจะหายไปเองหายไม่ใช่หายเพราะว่าเราต้องมาคุ้งหน่อคุ้งหน่อใช่ไหมมันพอคุ้งหน่อมีพิมมันก็หน่อยาวมากเลยนะคุ้งคุ้งแล้วก็หน่อไปเป็นฉงงฉมงคือมันมันไม่ได้อะไรแต่สังเกตความเปลี่ยนแปลงดีกว่าแต่ดูความเปลี่ยนแปลงลมหายใจนี้ผุ้งแค่นี้หุ้งไปแคนี้มีลมหายใจหนึ่งนี่อย่างตอนนี้ มันรุ่นวยน้อยงนะพอรุ่นวยนยลงเนะี่ยแล้วเราสามารถรู้สึกเปียบเทียบได้ว่าลมหายใจขราลมหายมันไม่เท่าเดิมแค่นี้เรียกว่าเห็นความไม่เทีย่ยงแล้วแต่มันต้องเห็นี้ก่อเพราะว่าถ้าทำมาชานิดหนอยเราจะแับประมาณว่าเห็นีนแลนีแล้วไม่ไม่ให้ไม่ ห, หมนต่อเร ความอเนี่ยนิดหนึง่งแล้วไอ้ความาพัใจความมุ่งสุดแบบเงี้โลกก็อยากได้ทำก็ไม่อยากเสียอะไรแบบนี้นะมันจะหายไปนี่จะเอาตัอย่างะโอเคถามตัวอื่นถามมิจ่าแล้วตัอย่างประโยชน์จากทาผ่านน้องๆนะ พยายามรวบรวมคําถามอยู่สองสามคำถามค่ะในในคาาที่ตัวเองสวมขึ้นแบบนี้นะก็ตัวเองก็รู้สึกถูกถูกมองถูกถูกคาดหวังจากโยโย่หรือว่าเด็กๆส่วนใหญ่เองชอบอิจฉาในลักษณะว่าเราเราคงเป็นที่ขึ้นให้เข้าใจเออก็ เก็รู้ตัวนะคะว่าเรายังไม่ได้เข้มแข็งนะัก แ, แต่เราพอจะเข้าใจอยู่บ้างออครนี้ก็เหมือนตัวเองมีความมีลักษณะที่เซนส์สีมกับความทุกข์คนอื่นอยู่มากอ่อนไห้ก็อยากช่วยเขาคือบางทีมันมันไม่ได้อยากช่วยเขานะอยากแจกใหเออ้เขาสมแต่ความคาดหวั ที่ผมมองครัคือผมอยากให้แม่ชีมองว่าอย่างแม่ชีเนี่ยคือว่ามาปวนี่ยไม่เจ็บแล้วเหมือนกัคนทิ่ถือปวกประมาณ 80% เ้าสอร์ซ็แล้วฮะพวกนั้นไม่คิดปฏิบัติเลยแม่ฉีเนี่ยคือคีดบัติในเรื่องของการช่วยเหลือคนหือว่ารบกับฝ่ายขั้นกว่าของคนอื่น เ้าเรามองเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติดีว่าบางทีไม่ใฉ่ยดจะรู้สึกว่าเราเรายังไม่แน่พอแต่จะต้องเปลี่ยนเป็นเตี้ยรูขุมมือคอยมองเป็นลักษณะทางใจมองเป็นภาพทางใจมันมีอาการหอบเยาะนะเวลาที่เคยามรู้สึกแบบนั้นเราจะต้องไปเป็นเตี้อรูขุมรู้สึกได้ถึงว่าหอบเยา อย่ไมันมีกำลังใจเพราว่านี่เรากำลังปฏิบัติอย Donc, si, on forward, on monde, ู่ความคามกร่งนั้นไม่สูงแต่เหตนั้นคือสถานการณ์ที่แม่ชีประสบอยู่ไม่ทีจะแก้ยังไงโอเคเป็นแล้วแต่วิธีคิดแต่ว่าเพื่อนที่จะบอกตัวเองว่าเออเนี่ยเราไม่เสียเปล่าไม่เสียเวลาเปล่าอยู่ตลอดเวลาก็คืออามอะไรเกิดขึ้น เรเอันใ่แม้ตอนแริทีผมพูดตอนแรกมันเหมือนแเรามมันาใจในการเคลืนไหวในการที่มันกลังเป็นทุกข์อยู่แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันมีความห่อเวใจการหอเห่วใจมันรู้สึกเหมือนกับว่าไม่อีกไม่เต็มยิวขี้อู้วจต้องไปป้อนัวเลยอดหรือออกในภาพอัใดนี้มันรู้สึกว่าเรายังไม่มีโดั แต่รูปเลยแต่ต้องแ บ, บ่งแบ่งให้เขาอีกครึ่งหนึ่งนะฮะนี่ที่เรามาคิดเนี่เรู้สึกเหมือนเร า, เ, เ, ราเราอยากผิมากกว่า น, นี้ขอมากกว่า น, นี้หน่อยเราก็ไปช่วยได้ไหมเาอาไปแบ่งได้ไหมนีนน่คือจรนะิงจงงนนะิแล้วของในฉีเนีนะทันทีที่สามารถจกู้สึกถึงอาการห่อเหียวได้ผมว่ามันมีความปลอดภัยแความหอเหี่ยวหายแล้วนะ ความสขเลนั้นมันร้องที่จเปดใจตรงนึเอาแลวละถ้าอย่างที่เราพูดกันห่อไม่ฉีจะนซิททํ้างวและทางอทํ้งาว่างในทางมื่นพราเราเห็นความมืาจะสว่างขนดีเราเห็นความอเหี่ยวมันจะสดชื่นขน้นดีนี่มันที่เหุไปลาตาวกุดแล้วก็คือว่าถ้าไม่ฉี่เห็นจริงจริงาการหอเี่ยวเกิดขึ้นเมื่อไห่ เวลานั้นแหละที่เราจะเหมือนกับทีบตัวกลับมายื่นให้เขาได้ด้วยความเต็นใจด้วยความรู้สึกสดชื่นขึ้นมาแทนจับจับอยู่แค่นิดเดียวเพราะที่ผมเห็นเน่ที่มันเคลื่อนไปมันมีแค่ที่มันบางอยู่มันมีแค่บางข้อเก็บนิดเดียวนะครั้งที่แล้วอาจารย์ชีไม่ค่อยเคลือ ว่ามีสิคเทเปีปสิด์สิท์แบดไคือบางทรั้งวิธทีก็ต้องศึกษาเพื่อเอาไปใช้กับเด็กๆหรือญาตโยมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้คนจะมีภาวะป่วยซับซ้อนน่แล้วบางทีเราแนะนำเรื่องการเจริญสติดูยาเกต้าแม่ไม่เฉียมันมันไม่ใช่เป็นปเพื่อมเพิ่เติมแเอรจ้าก็ัญอยติคือแม้ในข้างล่าเนี่ท่านยังให้ ให้ใช้ได้ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของยาถ้าเป็นไ ป, น เ, ปนเพื่อการรักษาผมเชื่อว่าสําหรับแม่ชีตรงนี้มันไม่หาอะไรมากมคือผมบอกไม่ได้หรอว่ามันผิดหรือไม่ผิดเพราะมันมันเป็นอะไรที่เฉือนแค่หนูบางๆนิดเดียวระหว่างปั่นเพื่อปั่นเพิ่ ม, มเพิ่มปั่เพื่อที่จะให้สภาพของกิ่นดีขึ้น นี่ถ้าเก็บนานเราแน่ใจว่าให้มันเป็นไปเชือพื้นฐานสภาพจิตมันไม่น่าจะดีไนอีกข้อนึงอยากให้การช่วยลายลักษณะการเรีสติแบบทํามนสทานธรรมนุสปทานเนี่ยคือจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับเป็นบทสรุปแบบ ที่พระพุทธเจ้าท่าน่อนก็ดีประฐานสี่นะฮท่านสอนให้รู้กายรู้เวทนารู้จิตดังนั้นที่นี้มันทำหมดเมืนครบอยู่แล้วคือมันไม่อยู่ในความเขาใจแค่นี้แต่พอขึ้นถึงความหถายการอายเหมือนเป็นการอ right ธิบายที ung, weave, ่ม uh ันมีความชัดเจนขึ้นนะยกตัวตั้งขึ้นมาเนี่ย นี่วรรณะสภาวะก็คือพระเหนที่ถืถ้าจะเห็นกายใจดยความเป็นสภาวะจริงจริงมันต้องไม่มีเครื่องควางมันต้องไม่มีการไม่ฉันคะนะไม่มีความอยากในการไม่มีความเฉียดแค้นพยาบานนะไม่มีอาการม่วงเหนาวย่อดูไม่มีอาการอุ้งต้านทับสายไม่มีอาการสงสัยอําเรนะมีอิจฉา หาประการเนี่ยาจลองสอนนะว่าถ้ามันเกิดขึ้นมไหรให้รู้เมืนอนั้นรู้เพื่อจะเห็นให้เห็นก่อนทดลองก่อนว่าเอเนี่ยเราสามามีกำลังของสติมากพอที่จะเห็นไหมว่ามันผ่านมาผ่านไปเพือย่ไงเช่นตอนง่วงมุลง่วงนิดนึงนะของนิจจมีอาการง่วง่วบางเนี่เราก็รู้ว่าเออนี่ยนิวเกิดนะนิวรณข้อนึงเกิดนะ ถ้าเรามีอติรู้ว่ามีความม่วมุนเกิดขึน้นมีการกดดันเนี่ยกา ร, ระจะกดให้เซไปนะแล้วถ้าการม่วงนั้นมันสลายตัวนีเ่เรียกว่าคามน้ำสติอยู่เหนือนิวรณ์สา ม, มารถเห็นนิวรณ์เหนือความเปองไม่เที่ยงได้แต่ถ้าหากว่าเห็นแล้วไม่หายยังไม่หาย่วงครั้งที่ยังไม่ถึงเวลากดรแต้่วงอันนี้ผมจะย่าคอยอธิบายหลัคือ จะไปั้างจะเปยังไงแล้วจะเปแปงปันจะไปอะอย่างเงี้ยท่าน่านแัมดบอกว่ามันะกลัไม่เก่งขอให้นิ me, วรณ์ตัวนี้หายไปแล้วค่ะนี่ขึ้นมานิวรณ์นะปราพาทำมาที่ปราพนาพูดง่ายๆท่านบอกไว้เป็นในใถ้าปราบใดยังมีนิวรณ์ฝ่าก variety, ั้นปราดนั้นเราไม่สามารถที่นะถึกายใจไปปราเป็นส่อภาวะได้จริงจากนั vậy, ้นนะพอ คนเนี่ยคนคนหนึ่งนะถ้ามันไม่มีนิวรณ์ฝังตั้นอยู่นานๆมันก็กายเป็นนขึ้นไม่ไก็มีแต่เจริญเจริญเจริญเจริญในทางที่สว่างเจริญในทางที่ม้านมันไม่ก็เป็นฌานใช่ไหมหรืออย่างน้อยกว่าเป็นปัญญาสมาธิจิตมีความเข้มแข็งจิตถ้าหก็มีความมั่วม่นมีความสว่างมากเนี่ยนะเวลาส่องเข้ามาในกายในใจนี้มันเห็นโดยความเป็นของไมห็ ไม่เห็นด้วยความเป็นสภาวะรู้สึกเลยว่านี่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุ้คนไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิงไม่ใช่ความรู้สึกที่มันติดมันตั้งแต่คล้องแนวออกนี้ว่านี่ปูไม่หมดปูเหลือแต่ว่างว่างจากความเป็นตัวตนเขาติดตั้งมั่นโดยอาการรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้นะพอเห็นตายมันก็รู้สึกว่านี่นไม่ใช่ตายแล้วละเรียกต้องเรียกเป็นอะไรเนี่ยเขาเลยจด้ว่าให้สาเยายว่าเป็นตรู้ หายใจเรื่องรู ai, ้สึกเราเปลนรู้เคลื่อนไหมเร่รู้สึกเราเป็นรู้ไม่รู้สึกเราเป็นเราหรือใหญ่เกิดความรู้สึกเป็นตัวเป็นตุกตืดอัดสบายนะตรงนี้มันก็รู้สึกว่าไม่ใช่เราดูไม่ใช่เราดูแลตรงนี้แหละถึงจังหวะที่ควรจะเรียกว่าเวทหรือบางทีเนี่ยคุยๆเหลนอใครอจีบบ้างไปเฉยๆคุยอยู่ขุดนึกขึ้นมาเลยอยากจะพูดเรื่องนี้มันมีสัญญาจำได้หรอเ่าอยพูดเรื่องไหน แล้วก็รวมแบ่งเป็นดีเป็นชั่วอยากให้เขาสบายใจที่อยากไ้ให้เขาเสียใจนี่ตัวนี้เรามเห็นสัญญาณสคัญในการรู้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการรู้ทำที่เรียกว่ามโนปิญญาอย่างนี้เรียกว่าเป็นขั้นห้าขคือขนห้าเเพื่ไมเห็นไปเพื่อให้รู้สึกว่าแต่เลักานเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วอยูาไปอยู่ได้ ทีความขงมานของจิตเนี่ยตัวนี้มันก็จะเกิดความรับรู้ต่อเนื่องเรื่อยๆไปจนกระทั่งแกระทัเวลาตาเห็นรูปที่เก hey, ิดความพอใจมันรู้สึกยึดขึ้นมาทันทีมันเป็นหนาการยือตัวนี้เรียกว่าเห็นสัมยุท์ในนี้เข้าถูงเรื่องของอานาอัยยนาข้าทาลมันเริ่มเห็นที่มาว่า ตาเปิัวลูกแต่พวกู้มันมีอาการยืปักอาการยืเนี่ยเรียกว่าสามยอดพอเห็นสัมยอดนี้แล้วสามยดหายได้นี่กระพุเ้าเรียกว่าการหาถัรถองแล้วพมหาสักสสรองไปบ่ๆเข้าเนี่ยอาการยืดมันไม่มันไม่เกิดมันมีแต่ตาไอ้ลูกแต่กูแวตาแต่ว่าเห็นหูได้ยินเสียงตาแ่าได้ยินไม่เกิดความ้สึกเป็นตัวเป็นตนหรือสัมพั ว่อยากเอาอยากเตะขึ้นมาตัวนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นการฝึกเพื่อให้เกิดอนัตาสัญญาในขณะที่การเห็นขันเนี่ยฝึกไปเพื่อให้เห็นเป็นอนิจจสัญญาเนี่หรือเกิดความรู้สึกว่ามันไม่เที่ยมอันนี้เกิดความรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวตนนี่นะประมานั้นนะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มเข้สู่เรื่องของการที่เริ่มมีองค์ของการรับรู้แล้ว พอจิตมันเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆติเข้มข้นขึ้นเป็นอัลมโนมัตสามารถอยู่ในหมวดพิจารณานัชธรรมได้ตลอดเวลาต่อเนื่องมันมีวิริยะมีความเย็นยังกระทั่งเกิดความรู้สึกว่ามีความมีแต่ความจิตใจมีแต่ความสงบกายสงกใจตรงนั้นเนี่ยมันเป็นโครของการหรรลุธรรมเสร็จแล้วท่านก็พูดเรื่องหมักแปะปิดท้ายสรุปแล้วก็คือว่าดูเข้ามาในกาย ในเวทนาในจิตนี่แหละมันเป็นธรรมมานุปัณนาอยู่แล้วละ่ะนี่ค่ะคุณอาจารย์คือก่อนหน้าที่ที่เอ่อถึงคิวเนี่ย ม, มีคำถา ม, มเยอะแยะเต็มหมดเลยแต่ว่าพอถึงคิวแล้วเนี่ยก็รู้แล้วว่าเธอต้องกลับไปทำอะไรเพราะว่าตอนตอนนี้รู้สึกว่าเออชีวิตมันวู่นวายเป็น เพราะว่าเราเราไม่ได้ตามสติต si the ัวเองปล่อยให้มันฟุงไปเรื่อยเอ่อเดี๋ยวจะลองกลับไปทำดูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเจอปัญหาที่ทําอยู่เนี่ยเกิดไม่ดีแล้วนะเพราะว่ามันเหมือนกับมีสติเกิดตัวเองขึ้นมาเรื่อยว่าเออเนี้ยอย่างนี้คนจะทําอย่างนี้นะคนจะทําอย่างนั้นนะที่เหลือก็แค่ เมือนการเปรียบเทียบกัาว่าไหายใจในแต่ละทางเนี่ยเรารู้สึกสว่างอยู่ไหมเรารู้สึกสบายใจอยู่ไหมจิตเป็นบุศลอยู่ไหมนะจิตเป็นบุตลเออเนี่ยดูไปว่าหน้าตาของบุตลมันเป็นแบบจี้มันมีความเปิดมันมีความสบายมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าปัญหาเนี่ยมันหายไปแต่มันไม่หายจริงนะมันรู้สึกคาคาใจ ตอนที่ตอนทีรู้สึกขึ้นมามันเหมือนอโล่งเราเหันหนน้ามาหาธรมะเนี่ยแล้วมันโล่งแต่มันไม่โล่งติดมันคล้ายยังมีอะไรติดๆข้างๆอยู่มันเหมือนแต่ว่าเราแค่วางเอาไว้เฉยเใชทีนี้มันจะการจะหีกปัา้นอเปาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าปัญหาแต่เขาเรียกว่าม่แบบปัญหาไว้บนหัวแต่ก่อนมันแบบปัญหาไว้บนหัวตลอดไปไหนมันมันปัญหาก็ตามหัวออกไป แต่นี่ครับเขาเรียกว่าถึงเวลาที่จะต้องแก้ปัญหาเราค่อยแก้เราค่อยทงานและใจไม่เป็นทุกข์ด้วยแต่พอมันไม่ได้ต้องอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่ใชมันไม่ใช่แรียกว่าหนีปัญหาแต่ว่าเขาเรียกว่าว่าปัญหาลงโชคลาภนะแล้วก็คือบางทีเนี่ยที่เรารู้สึกเหมือนว่า เราเริ่มจะรับผิดชอบไหไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันสาเหตุเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ทุกข์มากัแต่ก่อนเหมือนแบบมันไม่ได้มันไม่ได้หักมันไม่ได้ทรมานก็งายอยู่ตลอดเวลาคนบางคนเนี่ยพอมันรับผิดชอบกับอะไรแล้วเป็นนิยามว่าถ้ายังรับผิดชอบอยู่ยังอยู่ในโหมดรับผิดชอบจะต้องวุ่นวายไม่เลิกพอรู้สึกสบายใจขึ้นบ้างเหมือนกันเราไม่รับผิดชอบ จริงๆไม่ใช่นะมันเป็นแค่ว่าใจเนี่ยรู้จักพักบ้ามงบางคนเนี่ยลาพักร้อนเคยได้ยินคาถามนี้บ่อยเพือนลาพักร้อนไปมันลําตามองดูทะเลรู้สึกผิดเกิดความสึกว่าปล่อยที่เพื่อนเพื่อเนี่ยเขาทางานหนักันแล้วเราผ่นสบายนะทั้งทั้ที่มันเป็นข้อตกลงว่าเอ๊ะพักได้ลาพักได้แล้วก็มันต้องพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะยนี่ก็เหมืนกันคือ พอเรารับผิชอบอะไรมาเรารู้สึกเลยต้อาวุ่นเลยน้ออะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วพอวันหนึ่งใจมันไม่มีความทุกข์แบบเติมนะแต่ก็ยังช่วยช่วยกันคืออาจจะลดแรงลงไปบ้างอะไรย่เงี้ยนะรู้สึกว่าไม่ีาทั้ขอบมากเกิดแต่ว่าโอเคคือตราบใดที่เรายังอยู่ของนั้นมันก็ไมชื่อว่าบุตรายหรอกมันแค่เป็นบักให้ตัวเองไปถามว่า เอก็อยากจะ ย, ย, ยิงยิงนี้นึโอเคเออก็อยากจะถามอาจารย์นิดนึงนะครับพอดีตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของวัยวัยรุ่นนะครับแต่ว่ามีความสนใจทางด้านธรรมะแต่เนื่องจากพอเราศึกษาธรรมะหรืออยู่คนเดียวในด้านครอ้คร้ อ, อเนี่ยก็จะอยู่กับธรรมะแต่พอกลับมาสู่โลกแห่ง ค, ความเป็นจริงเราก็ยังมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มชีวิตที่ยังยัง ยังเหมือนเดิมมีทั้งเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากจะถามว่าการบาลานาหาจจะสมดุลระหว่างชีวิตของในวัยนี้หรือว่าในอนาคตเดียร์จะดยู่ไหนตอนที่ผมเริ่มสนใจตอนแรผมก็เริ่มสนใจจากตอนที่อายุที่0คะแนนนะฮะแล้วก็ถูกมองเป็นตัวประหาดเหมือนกันเวลาที่บางทีเราเราถือหนังสือทาให้ผมยังจำได้ช่วงนั้น คือหนังสือทํามะนี้ต้องแบบพลิกปกปกล้วเพื่อให้เขาไมรู้ว่าราอานหนังสืออะไรว่าเป็นหนังสืออ่านเล่นหรืออะไรไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับางทีเนี่ยเราเราพยายามสาตัวเป็นปกติเพือไม่แสดงว่าเราชองธรรมะเราสนใจหน่แต่บางทีมันช่วยไม่ได้คือนั่งงานหนังสืออยู่ในห้องบรอยู่อยู่เพื่อนมานั่งหลังเฮ้ยอ่านได้เลยเนี่ย มีท่าทางตกใจแน่นอนเราเรานี่รู้สึกปกติทุกอย่างแต่มันตกใจนะเหมือนถ้าเราไปทําอะไรผิดแล้วมันยาวางตัวไม่ถูกบางทีทำหน้าไม่ถูกบางีก็แกล้งบอกเว่าเออนานไม่แน่หน้าบอกหน้าเลยเนี่ยนะคือบางทีเราไปพูดตรงๆเนี่ยตอบกับเขาไม่ติดบางทียวพูดอย่างยากไปคลายออกมาเราก็กลัวเขาเป็นบ้าเออมันมันเลยกลายเป็นแบบ คนประหลาดตัวประหลาดอ่ยทีนี้ถ้าเราไม่ได้โชคดานขนานั้นยังไม่ได้เจออะไรที่มันต้องแอบมันตอนเนี่ยคือยุนนคออยนี้เนี่ยมันถ้เาเกิดพลา ด, าล อ, ด, ดาะอะไรว่าก็ต้องขอบคุณโวดาราอะไรต่างๆเนีไม่ได้จริงไม่จริงเนี่ยบอกว่าที่ฉันชอบตำ้าอะไรนุง่งขาวนขาวอะไรอยน คือค bon ือบางคนเนี enden, an, adelante, ่ยมีมีสองด้านจริงๆไปชอบจริงๆแล้วก็ไปปฏิบัติจริงๆแอ่บางคนก็เพื่อมาตามมาแสไปอะไรเพาะว่าอไแต่เนี่ยอย่าราต้องขอบคุณลว่าที่เอ่อมันโดกอ่งเี้ยจะเห็นว่าใครทำอะไรเอเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมองว่าดาราทาอะไรกันเป็นน้องิดปิดไป ตตนะตถ้าเราเอาจะหาบาลานจริงๆก่อนอื่นเราต้องยอมรับในทุก่อนว่าโลกเขาไม่ได้มองอย่างเราคำว่าบาลานไม่ใช่หมายว่าจะทำให้เรารู้สึก ป, ปลอมเกินมันเป็นปกติทีกอยาก่างเพราะมันไม่ปกติต้องยอมรับตรง น, นี้คือบางทีไปหาพยายามหาคาพูดกันว่ามันปลอมเกิน ไ, ไั่นนั่นจริงๆก็คือไม่รลอมเกินอะ แต่ในส่วนที่ไม่มหลงเหลือเราในยามที่สุดที่จะไม่หายมันออกมาให้คนเห็นมันอยู่ใน ใ, นใจเราสามารถที่แท้จริงคือความสุขความสมายใจความสว่างความสว่างไม่เคยทําร้ายใครแต่นี้ถ้ายัางเวลาที่ชักชวนว่าเอ้ยไปที่โนอนไปที่นี่ ท, ที่ที่มันเป็นสถานที่อโศจ ข้างในของเราเนี่ยรู้สึกมืดแล้วบางทีเราตามเข้าไปด้วยเหตุที่ว่ามันคุ้นเคยกันบางทีเราก็อยากไปของเราเองด้วยบางทีมันเกิดความตืกนตื้นว่าโดยน้อยยิ่งนะถ้าเกิดเรามีความสว่างกำลังติดมีความสว่างกำลังมีกาลังอยู่มีสติพอพูดถึงสถานเนี่โซยานุ่มมันเหมือนกับพูดถึงถังส้วม เดือยวดาถึงใครที่มันเหม็นเน่าที่แบบเราเรานึกไม่ออกว่าเราไปชอบเขาไปได้ย่างไงกินมันอยู่เบอรหมดเราก็มองว่าเพจตรง น, นี้เนี่ยถ้าจะต้องเสียเพื่อนแล้วไม่ต้องเข้าส้วมหมายถึงว่าไม่ต้องเข้าไปบอกอยู่ในส่วมเราเวทแล้วเนี่ยมันคงไหมเพราะเพื่อนบางคนเ่มเมีจริงๆ ส่วนแล้วไม่ไปจะรู้สึกหางไปทัทีหรือกินส่วนมีดวดเหล้าแล้วก็ไม่กินเนี่ยเดี๋ยวนั้นเลยขีหน้าขีตาบอกไม่ดูถูกอันนี้ว่าคือไม่รู้มันสืบเชื้อโรคชนิดนี้นยังไงนะแบบพอเห็นคนไม่กินเหล้าด้วยไม่เดียวมันปูไม่เอาอย่างบางบางคนมีนะบอกว่าชวนให้กินเหล้าแบบดีๆกันมาพูดอะไรกันเองทุกอย่าง ถ้าพอคนที่บอกว่าช่วงนี้ถึงสี่เนมันก็ยังคุยต่อแต่ว่าจะออกอย่างงานบอกชาวแหน่ไม่ต้องมาแล้วไงนี่อย่างนี้ก็มีคือมันก็ต้องแล้วแต่โลกเขาเขาเป็นของเขาอย่างนี้แต่ของเราเองไม่ได้เชว์ไว้ขนาดนั้นนะไม่เป็นไรเพราะว่าเพื่อนๆมันครึ้มๆครึ้มๆหลังๆไม่ได้ไปทำงาทีเดียวไม่ได้หมกไม่ได้โจมอยู่บ้านไปบุกแต่ว่า อย่างนี้ผกูเนื้เป็นความเข้าใจต้องว่าพื้นฐานว่าบางครั้งเราต้องเหวียงเหมือนกันคืออย่างที่พูดแต่แรกว่ายัางไงเราต้องพูดมีบทนะตอนเนี้ยมันไม่เป็นปกติเหมือนเดิมแล้วปกตินในความหมายที่ว่าสําเร็จในเมาได้มั่วสนุกได้ตอนนี้ไม่ปกติแบบนั้นแต่ไเป็นปกติอีกอย่างหนึ่งคือ รู้สึกว่าตัวเองแห้งสะอาดสบายสายอยู่ดีๆทําไมต้องเอาตัวเองเป็นแผลเปื่อนตุบๆเหมือนเดิมอีกเหมือนคนที่ขึ้นมาจากบ่อโอนบ่อเลนที่เป็นไปด้วยขยะเหม็นเน่าก็าไปทิ้งกันเราขึ้นมาได้แล้วขึ้นมาขัดล้างตัวสะอาดแล้วแล้วก็บางทีเนี่ยใจยังมีความทวิสหายวับไม่หมดไปได้รู้สึกติดใจมองไปที่บอกคนที่เต็มไปได้วยขยะ บางทีมันเนิบรับีมันเนิบชันมันขึ้นอยู่กับว่าในเวลาหนนั้นเนี่ยต่อแพ้ความต้องการแบบไหนถ้าแพ้ความต้องการที่จะปรับลงมัอีกฮะโอเคต้องทำใจตัวเองก็ได้แล้วในขณะที่ปรับลงไปดูตัวเองว่ายังเข้าควบได้หรือเป่าคือมันจะปรากฏเป็นความรู้สึกทางใจเออที่มันใช่หรือป่า ถ้ามันตอบตัวเองทันทีมันไม่ใช่ขั้นต่อไปก็ไม่ต้องมามืกับที่มีคนบอกว่าเออขั้นต่อไปไมอมานะนี่คนอนะื่นนีตัวเองคื อ, ค, อคือเคยได้เล่ามาบ่นตัวแบบแต่แบบที่มันลองเลยเป็นตัวตวอนสุดท้ายของเรา รู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าสว่างรู้สึกว่านี่แหละที่เราต้องการอันนั้นมันมีค่า่กว่าเพื่อน ท, ทั้งโลกเพื่อนทั้งโลกที่เพิ่ต้องตายแต่เราตายไปแล้วเนี่ยยังต้องอยู่กับตัวเองเพื่อนไปไหนไม่รู้ไม่ม ไ, ได้อยู่กับเราเลยหลักที่ก็คือว่าถามใจตัวเองแว่ า, าตอนนั้นเนี่ยใช่เล้วหรือยางที่ทาไหนสว่างหรือรอเนือ เวลาเากิดแการอะไรขึ้นนะคะก็คิดว่าเออคนเป็นี้ น, น, นนะแต่ว่าเหมือนมันยังไม่เข้าไปที่ใจจริงๆอะคือเหมือนรู้สึกว่าตัวอพอเห้เกิดอาการขึ้นก็รู้สึกสอบตกอะอยากให้สาแนะนํนนัก็ไม่ได้สอบกอยู่เรื่อยๆอย่างนี้นะ ถ้าเป็นเรื่องง่ายๆแล้วก็ผ่านแล้วก็ผ่านอยู่เลย ม, มันมัำนมีกำลังมันมีความสวา่างพอสมควรแล้วแต่ว่ามันรอวิธีจิตรีกแบบเนอ่งรอใจอีกอยางหนึงนะใจที่มันจริงเ่ยใจที่มันมีความรู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้จริงๆตรงที่มันเป็นสติตรงที่มันสามารถจอมรับความจริงได้ที่ผ่านมามัน เหมือนกับเราแค่ไม่เคยชินว่าอาการหย่อนร้าวตามที่มีหน้าตาเป็นยังไงมันจะมีอาการเหมือนกับมีเมฆหมอกเคลื่อนมาบดบังหรือว่าทําให้เสียทัศนวิสัยอันนั้นอารมณ์ส่วนของอารมณ์ส่วนของการรู้สึกเหมือนกับเหมือนกับตอนที่ ผู้คนเคยมบกอย่างใจอย่างบางทีบอกบว่าไม่ชอบจนจีชอบนะหรือหากไม่เอาหรอกม่นเห็นใเลยเหนชนอีกทีเดี๋ยวคราวนี้จะเอา <c oughs> อะไรเกัดเนี่ยคือพอมันทำมาบ่อยๆมันกลายเป็นเมหมองเมหมองทางอารมณ์ที่ไม่อยากจะยอมดั ใจเราไม่ทิ้งไม่ได้เจตนาทำร้ายเนื้อใรใครวางทีนะแต่ประมาณว่ามันชอบบางคารมันชอบมีความรู้สึกเหมือนแต่ถ้าไปรับง่ายๆเดีวเสียรูกเดี๋ยวมันเสียฟอร์มเดี๋ยวมันนอนมีหนะแต่ถ้าหากเราดองมองเี่น วาอาการที่ปากอยาวใจอยาวเนี <ä? ti ế ng> ่ยหน้าตามันเป็นอย่างนี้มันบิดีิดวิววิวมันมันไม่เด่นส่วนเรากามองเป็นภาพทางใจนะคือคืออย่างตอนนี้ภาพทางใจของเราคือเราเป็นตัวของตัวเองมันเด่นแต่เมื่อไรที่ปากอยาวใจอยาวมันจะวิววิมันจะคึื่นคลืนปากเหมือนกับกระดาษถูกตัดขรึ่งหน้าเราแบกครึ่งหนึ่งลองเข้าตัวดูมันจะรู้สึกอย่างนั้นจรงจริง ก็เห็นอย่างนั้นบ่อยๆคือต้องบ่อยจริงๆนะกรณีใส่ความเคยชินที่มาดมันน่าไม่ท่วนแต่เ่าที่เราจะฝึกแค่สิบยี่สิบั้งเลยบางทีมันไม่มีบาดมายต้องฝึกเป็นกระทั่นมันเห็นจริงๆคือยังไม่ต้องท้าใจเปลี่ยน แ, แปลงเองนะแต่จะเอาแค่ว่าเราลองมองให้เห็นนะว่าตอนแรกๆอยู่ดีๆมันเต็มตัวอยู่ดีๆ ตัวขอเองแต่พอเริ่มฝากอยากแต่อยากปุกบมันจิตมันรีบมันเหมือนตัวรีออกมาหรือว่าหน้าตาหายไปครึ่งหนึ่งพราะเหนเนนั้นบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดคำถามขึ้นมาเว่าทำไมเราอย่างเนี้ยเราเป็นตัวขเองได้ี่าหคือมันตอนที่หน้าเราเป็นเป็นตอนที่มันใจมันอยู่ในสภาพที่มันตรงๆมันดูดีกว่าเมื่อเช้แต่ตรงนั้นคือมามาตั้งใจเราตอนนี้ไม่ได้เน่ะ ก็ทำงานใจมันไม่ยูดมันเคยชินกะับนิสัยแบบเดิมๆมาแต่ถ้าเราศึกมองไปเรื่อยๆเนี่ออยอย่างที่ผมบอกว่าเอ๊มันมันไม่เต็มอ่ะเห็นไปเป็นร้อยเป็นพันรั้งจิตมันจะฉลาดเลื่อนขึ้นมาเองจิตเห็นอะไรที่มันไม่ดีนะมันจะฉลาดเลื่อนให้สิ่งที่มันดีกว่าขึ้นมาแทนแต่ถ้าไม่เห็นปล่อยให้เกิดความเคยคิดตามนิสัยแบบเดิมๆมันก็จะเลือกแบบเดิมป่ป เนี่ของเราจริงๆแล้วเนี่ยใจลึกๆเป็นคนที่มีความสุขอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ความที่ว่าเราใจมันเหือนกับไหลไปตามโลกว่ า, าก็อยากได้โงกุฎอยากได้มีแฟนบางทีเราก็อยากคราบเขาหรือมองไม่บางทีนะใจจริงๆเราไม่ได้อยากนะคือไม่ได้ขึ้นต้อด้วยตัวเองเป็นเห็นเพราความทางนี้ดีซ้ายดีขวาอีกมันอยากคราบ หรือจะตกเป็นเนี่ยนี่คือตัวอย่างคือบางทีเนี่ยความเป็นตัวของตัวเองหมายถึงใจที่มันคิดเองแล้วก็รู้สึกเองเป็นๆเพราะเราสังเกตเห็นแนะว่าใจเป็นๆของเราเนี่ยไม่ได้ดิ้นตามเขานี้เออมีเสียงตายดีกว่าดีบางกีเอเราจะเห็นเป็นเหมือนกับอายุอายุเข้ามาครับ ให้เราโอนเองแ่โอเองไม่จำเป็นต้องลงยืนอย่าหยุดก็ได้แล้วว่ายืนอยู่ได้เรารู้สึกเออเนี่ยไอ้ความรู้สึกที่ว่าเป็นตัวของตัวเองไม่เสียความเป็นตัวของตัวเองไปมันให้ความรู้สึกที่ดีถ้าถามใจมันบริเวณกว่าคือต้องสังเกตไปเรื่อยๆและการสังเกตนี้ไม่ใช่ไปคาดการณ์นะว่า เราจะต้องเอาอยางนั้นเอาอยางนี้เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองทันทีเอาแค่ที่เห็นเมื่อก่อนเราส่วนเศษตามคนหนึ่งเข้าไปหรืออยากแลกตามคนหนึ่งเข้าไปมันภาพับแวเรามันชู้ยี่มันไม่เต่นถูกแค่นี้แหะสวัสดีรเออพอดีวิ่งไม่ได้ปฏิบัติก เ่็นแบบาบบรยกาศที่เด็แล้วก็สุดาที่เราทาบ้างมันก็จะแบบสมองเนี่ยเป็นเบื่อเรอยตลอดใช่เมื่อกี้ตอนตอนนั่งตอนแรงก็ไม่ได้เบื่มากนี่ถ้าถ้าอยู่ในบรรยกาศนี้ถ้มีอาจารย์ใช่ไหมคือเมื่อกินเนี่ยก็รู้สึกสบายสบายเป็นแ่บไปแบบเรื่อยๆคือไม่ได้อะไรมากแต่ก็ไม่ได้ม เนี่ยเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่นในราะเดี๋ยวเมื่อกี้พึ่บอกว้าใครเงมาแล้วก็ยังไม่เคยสร้างก่อนก็ถ้าอยากจะฝึกงานนาบักติบที่ผมไห้มี่วงต้นแล้วก็ไปที่ s t a r c o m s a n t i n นะก็จะมีใเสนออยู่ในนั้นอย่างเวรไปรับแล้วก็นังการไปด้วย s t a r l o c o m ดาวดาวเสียงแล้ว ah ก็ดาวเมฆติดกัดนะแล้วก็ดับคอมแล้วก็คลับนำไิ้ง ใดหนึ่จะต้องแก้วิงอยางเรื่องเรื่อ่ของคุณก็คือว่าแต่ก่อนคือปิดมันระโดดมากแบบนี้นะโดดแบบมันเต้นเ่มันเต้นอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้มีความสุขมากขึ้นแล้วนี่อย่างน้อยที่สุดวันนี้เราจะเห็นเลยว่าเออมันปลดภัมันรู้สึกว่าไม่เต้น เต็นม า, มาอการเต้นเนีเข้าใจใช่มมันเต้นไปเต้นมาเต้นไปเต็นมาไม่อยู่ทัทีแล้วรู้สึมมเเกเหนื่อยเหนื่อยมากแล้วชีวิตเนี่ยมันเหมือนเต้นระบางอยู่ข้างในแล้วก็ไม่รู้จะอยอย่างไหพิธีเดียวที่จะหยุดได้ก็คือสร้างความเปิดชินแบบไหน มันต้องมีอะไรข้างอย่างที่เป็นเครื่องสบายเป็นเครื่องอยู่ที่สบายของจิตเราที่ผ่านมานันไม่มีมันเต้นๆๆไปเื่อยๆแล้วก็คล้ายๆนะถามตัวเองลงๆนั้นๆเอว่าเมื่มอไหร่จะอยู่ได้สักทีแต่ในขณที่ถามตัวเองอย่างนั้นเนี่ยต้องเห็นของอาการเต้ น, ย, นยังไม่หยุดไม่เลิ แม้ว่าจะทํำเป็นลืมๆทาเป็นแป้งหรืมมันก็ยังใส่ใจที่ว่าสิ่งที่แป้งอย่างนี้ไหวจะดีบางคนเนี่ยมนจะมีความรู้สึกเหมือนมันเป็นอา ก, การแป้งในใจขึ้นลงขึ้นลง ม, นมันมี ม, น ม, มีอะไรบาที่ันหไม่รู้ที่ทระมาณทธิละมึนก็เพราะว่าเราพยายามหยุดมันตรงๆแต่อย่างข้า เริ่มก th ็มือมาทำอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะเราแค่สํารวจเท้าสำรวจมือแล้วก็ไล่ขึ้นมานี่ยอย่างตอนนี้เริ่มเต้นแล้วเห็นไหมแค่อยู่ที่เท้าที่มือเฉ่มันอยู่สถีมันอยู่ระเนื้อระตัวไี่ต้องทําอะไรเลยเวลาเดินไปไหนก็ดูเท้ากระทบไปถ้ามันแป้งที่นี่ก็ดูตัวตอนนั้อัดสติเพรามันเต้นขึ้นมาแล้วก็มาอยู่กะเนื้ตัวใหม่ไล่สารวจขึ้นมาจะอยู่ในเอ็นเนี่ยบนไหนก็ตามมันสามารถสังเกตได้ เท้ามือไม่ก็อะไยอ่เลยว่าอย่างไรนี่แค่แค่สำรวจแค่นี้เอแตกต่างกนแต่มันจะมีกำลังมากขึ้นต่อเมื่อเราไปทำหนมาที่จิจกรแค่ตรงนี้มันยังไม่พอมันเป็นแค่ความสบายโชว์คร้ามันเป็นแค่นะครับเว้นบัางแป๊บหนึ่ง แต่ถ้าหท่านท่านเป็นสมาธิได้การเต้นอย่มันจะหายไปเขาอยากจะทราบนว่าสิ่งที่ที่เจออยู่ทุกวันนี้นะคะดูว่าเวลาที่เราไปพูดอะไรถึงใครจะแง่ดีหรือแง่ไม่ดีก็ตามแต่หลายส่วนใหญ่เขาจังเหนื่องต่งเหานี้มนจะเข้ามา เข้ที่ตัวเราตลอดแต่ส่วนใหญ่นั้นจะไม่ดีซะมากกว่าแล้วทำยังไงเนี่ยคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองทุกคนเนี่ยมันคงจะมาจากอไหก็ตามแต่ทําอย่างไรเนี่ยเราถึงจะไ ม, ไม่ไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกตัก้งตัวผิดเองนะบอกว่าทํำยังไงถึงจะไม่เจออีกเนี่ยคือต้องต้องทำอย่างนี้เลยด้วยจากนี้จนตายเนี่ยเราจะ ไม่ทําอะไรผี่ผิดแล้วเกิดใหม่มันจะไม่มีอะไรที่ผิดปกติเข้ามามันจะมีแต่สุขสุขนี่ถ้าเรามองตามหลักของกรรมวิบากนะวิบากเขางปล่อยเราหรอกแต่เขาแจกมาทำลายเราน้อยลงถ้าหากว่าเราสร้างเองเสดดีขึ้นมาตัวแท น, นเอขึ้นขึ้นมาคานกำลังการการหน้าของวิบากเกา่าที่ผานมาเนี่ยเาอาเฉพาะในชีวิตนี้ ของเรามันเสียเรื่องพูดนิติเราพูดมันชอบมันชอบพูดนะวิธนะีน่ะแไปทำอไรใจยังไงคือคืองทีเนี่ยมันมันฉลาดพุ่ในทางที่ติดใเวลาที่เราเําโปรดอยู่กขานำไปปอยใจอยู่มันมีวิธีที่ททให้เขาเข็ดใจได้ในตรงนั้นเนะี่ยคือบางที บางทีเจตนาไม่ได้เจตนาแรงอะไรมากแต่ด้วยคำพูดประกอบท่าทางหรือว่าด้วยความรู้สึกอยากจะให้เขาฟังเราหรือว่าอยากจะให้เขาเห็นความผิดของตัวเองมันมันไปจัดการเรียบร้อยแล้วปริปริให้เขาเกิดความรู้สึกมึนให้เขาเกิดความรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรที่เป็นบาปร้ายแรงเป็นอะไรที่อ รู it, ้ยังไงว่าบางทีเราเคยเคยรู้สึกเนี่ยถึงอาการคูดธรรมดาก็แตกต่างกับอาการสาวแช่งยังไงเคยเห็นความแตกต่างเนี่ยว่ามันมืดตามกันใช่ไหมโอ้ใช่ไหมง่ายแน่นคือให้มองเลยว่าด้วยความตั้งใจแต่นี้ไปจะไม่มีความมืดฉะนี้นเกิดขึ้นในใจเราอีก ความคิดว่าจะให้ใครที่นาหรือว่าใครเขาต้องมาร้างผลอะไรร้ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันตัับใจจัยเราอะไรต่างๆจะไม่เกิดขึ้นนะแค่ด้วยความตั้งใจจริงๆตรงนี้แล้วมันมันปลอดโปรงจากที่ภาวาตรงนี้จริงๆภาวาที่มันจะเข้ามาเบปลี่ยนทันทีทันใด ห, หรือว่าเข้ามาแบบเล่นงานเราไร้แรงมันจะมันเท่ากน เช่นกันคืออันนี้มันมีขั้วถึงรู อ, อะไรที่มันได้ร้ายเมื่อกี้เราคิดว่ามันแช่อยู่ในใจบางทีนะมันแค่คิดอยู่ในใจแต่เป็นตัว่ามันแดงแล้คนในมนุษเนี่ยะเนี่ยดวหน้าของสารนี่คือเลยตอนที่คิดแค่นึก อ, อยู่ในใจเนี่ยนะ แค่ที <moon> ่จริงมันคือหลุมดำตอดตัวขึ้นมาแล้วแล้วหลุมดำนั่นมันดึงดุดเอาไว้สิ่งไม่ดีเข้าตัวด่งทู่เอาอะไรที่มันร้ายๆเข้ามาตัวเองมันจะมีความเร็วเพราจากในอาการแรงของเราเนี่ยคือจิตเราเป็นเป็นคนแรงเวลาโดยพาเวลาที่เราโผ่เราแบบน้ำมึนเปมีอา่การมึนๆแบบน้ ที่เร่งรัดุแรงออกมาได้ทั้งนั้นแต่สวัสดะสวบเนี่ยาก็แบบเห็นั้นก็มองเห็นนี่อะไรที่มันมืดๆแล้วก็ขัางใจวันไม่เอาแล้วมันปิดคาเป็นสวบอันนี้ผมข่าวคุณจิตรถืดูทลดีๆเข้ามาแทนก็อย่างในจุดตัวเองนีเหตุการณ์ื้อส่วนใหญ่ ก็ือว kind of so ่า so ม so like so so ีคู่คู่ตัวให่เ่เตรงข้ามี่จะมีครอบครัวเราข้งเลยแล้วมันก็เหมือนกับมีเหตุการณ์อะไรขึ้นเอ๊ะทไมคาถามกับตัวเองว่าทาไมฉันต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำไมเหตุการณ์อย่างเนี้ยถึงเกิดกับด้วยฉันอยากจะหนีมาจังเลยแต่มันไม่เคยสามารถที่จะหนีได้เลยแต่มันก็เหมือนกับมีเหตุการณ์อะไรขึ้นก็แคมันมาเป็นทเนเทนด้ บางคนเขามีแต่แบบคนดีๆเข้ามายังสออยู่แต่ไม่เอาเขียนนะฮะแบแน่โลกเอาอยู่ในโลกใบเดียวกันแต่เจออะไรซ้ำๆแตกต่างกันใช่ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ถ้าอธิบายให้ตายเนี่ยอธิบายไม่ได้ห้ามองให้ดเห็นเริ่มสายปายเห็นมันจะรู้สึกเลยนะว่าเนี่ยหที่ คิดว่ามีแค่ร่างกายของเราแยกเป็นคนๆเดียวตัวๆของเราเป็นแค่ตัวตัวแบบนี้จริงๆมันก็จะผิดแต่เราควรจะมีเงาตามนะแล้วเงาไมา่มีแค่แบบเงาของเรามนุมันซับซ้อนเงาที่มันตามเราไปมันล็อกชีวิตเราไว้ให้เจออะไรบ้างนี้แค่ของเราเนี่ยคือ เอาหลุำออกไปได้ในความคิดที่มันเป็นอกุศลนี่คำพูดที่มันแรงๆร้ายๆที่มีให้คนอื่นมันมันจะเหมือนการหลุมดำเนี่ยถูกกำจัดไปเอาหลุมขาวเมาแทนคือพูดดีๆคิดดีๆนะไอ้ตรงนั้นมันจะเริ่เปลี่ยนแปลงถึงอาจจะไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแบบเห็นผลว่าผู้ใช้แบบถึง เ, เข้ามานะ ม, มันอาจจะไม่ใช่แต่ยังน้อยนุกสถานการณ์เราจะดีขึ้นในทางไปทางหนึ่ ง, งคือเวลาที่เจอกับอะไรที่มันซ้ําไปซ้หมาม่นจะซ้ํำในแบบที่มีการคลี่คายต่ อ, อไปเป็นฉีดแนวออกไปบ้างคือไม่ได้ซ้ําในแบบที่แบบเดิมเป๊ะอย่างน้ำแบกใจี่เนี่ยคือนในขณะที่เกิดขึ้นต้ำแนวซ้ำแนวอะ แ, แบบนี้มันเป็นสิ่งที่ผมได้ฟังมาตลอดเลย นทุกคนก็อยาพูดตองการนะว่าคือคืออย่างอย่างเคยเคยมีนาลาผมอาไว้ผู้ชายเหรอไม่รู้นะคือตอนนี้อาจจะมีนะแต่สำหรับชีวิตส่วนตัวฉันฉันไม่มีอ่ะเพราะมันไม่เคยเจอผู้ชายดีดีเลยแม้แต่คนเดียวเออแบบเจอในร้านมาตลอดแล้วก็คือคแบบเหมือนกับแเทินเดิมเนยตอนแรกมาดูดี แต่และวค่อยออกลายมันเป็นเหมนเนหมดเลยเนี่ยซึ่งซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันมันก็คือเหมือนกับชีวิตของแต่และคนเนี่ยมันมีแรงดึงดูดอะไรแบบเดิๆเข้ามาแล้วมันทำให้ตอกย้ำให้เชื่อว่าในชีวิตเป็นแบบนี้แต่จริงเนียแต่และคนกลังเขียนตงหนัว่าวิปัาษ์เขาตอบแทนเราอย่างไร เขาจะให้เราเห็นว่าชีวิตเป็นยงไงรู้สึกว่าชีวิตเป็นสุขหรือเป็บปวดแบบไหนที่ถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วก็คือสร้างาหลุดขาวขึ้นมามากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพฤติกรรอันนี้มันมันติดเรื่องพฤกิกรรมเยคือ่างทีนะคนน้องคนนี้ติดเยอะในเส้นทางแบบมันเกคยไปแช่งตัวเยอะ คือแช่งแบบเป็นว่าเี่นเพื่อเป็นเรื่องสนุกรู้สึกว่าตัวเองเป็นพวกคำพูดเนี่ยเป็นปาะกาศสิ็มันมันจะมีความนิสัยอยู่รเื่องในใจว่าเราพูดยังไงก็ต้องเป็นแบบนั้นนี่นตัวนี้คือในอดีตบองนี้นีะไปถ้าเราไปแช่งตอกไข่ตัวไว้มากๆพึ่งเราอาจจะลืมไปแล้ว ที่มันก็ไม่เจอเพราะว่าการสาแช่เนี่ยมันไม่ได้ปมีผลกับเตรงๆหรอกมันอาจจะมีอะไรมืดๆถ้าแทรกไปเขาแต่ว่าให้ที่มันมามีผลตรงตงเลยก็คือว่ามันล็อกเส้นทางของเราไว้ให้เป็นไปตามนั้นีนี้ไม่ได้พูดถึงเฉพาะที่ว่ามันจะจําดาหไือจำไม่ได้นี่พูดของบัตนแต่าถ้าเวิธีการของเรา เป็นเปใ น, นทางที่ทําให้คนเขาจะเดินหูแล้วก็จะเดินทางจิตนี่มจะพิกเปลี่ยนแนวการไปถึงขั้วแล้วถ้าสมมุติว่าเรามีสิ่งที่ตั้งใจจะทำแล้วเร า, เราคิดว่าเราจะทําให้มันสําเร็จแต่มันก็เหมือนกับว่ามันยังไม่สำเร็จสักทีมันยังไม่เจอเจออะไรที่มันจะทําให้ให้สําเร็จได้อะไรแบบเนี้ยค่ะคะือมันมีนนปัจจัยาเร็จเนี่ย บางทีมันขึ้นอยู่ค่ะว่าเราเพียนถูกทางหรือเปาด้วยราจจะรู้สึกว่าเราพยายามมาเยอะแล้วเหนืยมเยอะแต่ถ้าเกิดในความพยายามนั้นมันไม่ได้ตรงกับบุญเข้าในแบบที่เราไปทำบางทีมันก็ไปพยายามอยากให้วิวเพียนมา่าเปิดร้านอาหารอย่างเนี้ยปานนี้อาจจะเป็นนะอีเจ้าของ เอท่องานไก่เอฟซีอะไรเงี้ยนะคือคือถ้าเขาไ่ไปตรงทางของ เ, าเราเขาไม่อเอาเศษขนาด น, นี้บางทีความพยายามเนี่ยเราต้องถามตัวเองเลยว่าเราลองพยายามมากทางพอทีท่จะตัดสรินแล้วหรื อ, อยังมากเนี่ยตรงเนี้ยเราเราเปลี่ยนแถวไปครอบบุพอแล้วคือศักยภาพของเราเจะบอกตัวเราเองว่าเราอยากทํำอะไรได้บ้าง เส็จเสจทำอะไรได้บ้างีใจัยรังอะไรได้บ้างถ้าไม่หลอกทั้งหมดเราไม่มีทางรู้ว่าเราทำบุญมาทางไหนอนะั <c oughs> น น, าา น, น, นี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดตามนี้ถือว่า ใจลอเปิดมากราะก็คือเรารู้ 3, ส ulously, man, after, ึกว่าสิ่งีเราขัดเกินกลังเราแต่ถ้าเราไม่ช่วยเราก็รู้สึกตรงนี้ไม่ทราบว่าจะทำยังไงเรื่องไหเรื่องทุกเรื่องเรื่องเวลาเวลาเวลาด้วยเจะเอาเงินด้วยเอาเวลาด้วยแบบจ้ามนงเนาะ ก็คือมันไม่ใช่จะทํำยังไงดีแต่ที่เราทำอยู่แล้วดีแล้วอันนี้ยังมากกว่าถ้ามันดีอยู่แล้วเนี่ยบางทีมันพูดยาก่ะไม่ได้ทาเพิ่ ม, ญญนะมขึ้นไปมากกว่านี้ได้ยังไงมันต้องถามใจตัวเองว่าเือชีวิตส่วนตัวเราก็มีนะอืความต้องการส่วนตัวเราก็มีอยากจะใช้เวลาส่วนตัวเราบ้างจะใช้เงินในแบบที่เราต้องการบ้าง ที่เราเกือบแผ่ไปมันมากพอแล้หรือยังถ้าถามตัวเองแล้วได้คำตอบว่ามากพอแล้วแล้วรู้สึกว่ามันพอแล้วจริงๆมันมันไปเกิดกว่นี้ไม่ได้เนี่ยจะถูกขัดคันเนี่ยก็ให้นึกถึงจของเราไปก็แล้วกันนโรแรมนั้นน่ยคือมันมันมันละทิ้งทุกอย่างเนี่ยตอบแทนเท่าไหร่มันก็ไม่ได้หรอกมันองไม่พอหรอกหรือว่าจะให้เท่าไหร่มันก็ไม่พอใจหรอกถ้าเรายังให้ได้ ถ้าตามอะไที่เรายังให้เริ่มได้เขาจะรู้สึกว่าเพิ่มได้มากกว่านี้อีกแต่ถ้าเราพูดชัดเจนว่าได้แค่นี้เราก็จะค่อยๆยอมรับตอนแรกไม่ยอมรับแค่พูดโดยคนทียอมรับอเองประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าใจเรามันรู้สึกว่าตรง น, นั้นเนี่ยมันเป็นที่จริงหรือเปล่ตรงนั้นนี่อ่าก็มีเรื่องหนึงที่ว่า รู้สึกว่าเธอติดในชีวิตประจำวันไม่ <tinc S 2> <giving quin. S 1> ได้อันนั้นเป็นเพราะว่าใจเราวุ่นเรื่องน้นเรื่องนี้มันมีหลายเรื่องวนอยู่ใน้ัวแล้ามันแยกไม่ได้ออกนะคือเป็นวแบบคิดเรื่องน้นเรื่องนี้ในเวลาใเคียกันหรือว่าพร้อมกันมันเลยแยกแยว่านไหนสคัญนไหนไม่สคัญอันไหนควรจะคิดก่อนอันไหนควรี่คิดหลังต่อไป พอมีเรื่องอะไรในหัวก็ตามเราแยกแยะเลยว่าแต่ป้ายให้มันเลยว่านี่ตรงนี้คิดทีหลังก็ได้ตรงนี้เอาไว้เอาไว้ก่อนก็ได้นีตรงนี้คิดก่อนแล้วปลกกันไปเลยไม่งั้นมันจะสวิตไปสวิตมาแบบตามอารมณ์ใจนี่ออกไหมพอคิดเรื่องนี้กำนังตุ้งตุ้งกำลังกังวเนี่ยเลยว่ายิ่งเนี่ยเลื่อนตัวดีเนี่ยถ้าเราโทรไปกดโทรไประบายได้ ไม่จะชวนออกข่าวไปไหนต่อไหนคือจับเรื่องของเราเราหวงเราระบายทุกอย่างเดียวไม่พอมีเรื่องของเขามาปนเข้ามาอีกไม่อ้องแกล้งในหัวเรามีช่องทางรับเรื่องน้อนเรื่องนี้ได้มากขนาดไหนตัวเองอยู่ลำพังสามารถคิดได้สองสามเรื่องในเวลาไป่เพียงกันในนาทีเดียวโทรไปหาเพื่อนลึกว่า จะเป็นเอาอะไรือแบบ่งแบบ่งเพื่อนให้มาช่วยรับบางเพื่อนแถมแบบมาหยิบเรื่องต่อเรื่องอะไรอย่างนี้คือเป็นการแลกเปลี่ยนเพิ่มให้การไการที่ถ้าเราแ บ, บ่งป้ายไว้เรื่องนี้ไม่สําคัญยังไม่ต้องคิดภาพไว้ก่อนมาคิดเรื่องที่จะต้องเอาไป็จริงเป็นจังแล้วฝึกตัวเอง ให้โอกาสเรื่องนั้นห้ามไม่ให้ตัวเองไปคิดเรื่องอื่นใจมันจะเป็นสมาธิมากขึ้นพอใจเป็สมาธิมากขึ้นเนี่ยไหนะสติมันถึงจะเลิเ่ขึ้นได้ระหว่างที่ทํางานในชีวิตประจำวันถ้าไม่นั้นไม่มีทางในยผิดแบบนี้มันแตกไปเสี่งเสี่ยง เ, เรื่องเรื่องไหนเข้ามาเนี่ยเอาจิตเอาได้หมดเอาจิตเราไปได้หมด แรงกอดนอนปกตินอนฟันนี่ก็จะสบายก็ไม่มีคำถามแต่มีมีสิ่งที่เกีย่นนยวพันไม่ถือเคยเคยอ่านงานของคุณดังบิ๊กตั้งแต่ปีสี่แปดเรื่องทามนาวิวพาร์ทชอบมากฉันจะอ่านทุกคืนเลยอ่านทุกคืนจนจบเลยอาจจะเป็นวนรรณกรรมทางธรรมะที่ทำให้เจริญสติตอนกลางคืนแล้วก็ใช้แสงไฟกับเบิด์ยักจำได้เลยเนี่ยฟีชงผู ก็ไม่ไดซื้อคือเชิงวรรณกรรมนะัอันนี้คือที่จําได้ในเชิงสัญญาครับคุณนัตตินน้มายขั้งแรกทีนี้ในเรื่องทางธรรมก็คือว่าด้วยใจนี่ก็คือว่ามีพระพุทธองค์หรือธรรมะอยู่ในใจแล้วแต่ว่าด้วยวิบากกรรมทั้งเชิงบวกและเชิงลบนี่ก็คิดว่าหน่าแต่ทุกคนและคมบอกทุกคนก็น่าก็คือว่าทีนี้มาที่งานก็คือว่าลักษณะงานก็จะต้องเดินทางไปหลายจังหวัดตลอด แล้วบางครั้งรู้สึกว่าเราน่าจะได้เดินทางทำ ท, ทีม่มันมากกว่าใครๆหลายๆคนใช่ไว่าแต่ก็ได้คําตอบจากเคสที่สที่ห้าแล้วว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องรอเราเรามีเวลาอยู่ยแล้วส่วนประสบการณ์ในทางธรรมก็คือว่าก็เคยลงุกขุนมามมากจนปฏิเสธคือจิตมันไม่เลยปฏิเสธธรรมะของพ่อประโมทปฏิเสธอะไรจนมาเมื่อเร็วๆนี้เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา ไปเจอคนคนหนึ่งแล้วทําให้เราเปิดในใ น, ในทางใจแล้วก็เข้าใจหมดลเลยในบางส่วนก็คือเราผิดเราไปเดินทางสมาธิทางฌานทางอะไรแล้วขาดพื้นฐานก็เลยเสียสูนมานะช่วงนี้ก็คือคล้ายๆกับว่าต้องเริ่มต้นใหม่เหมือนเดิมครับอยากขอทำแนะนำ <Okay, S 1> ครับโอเคก็เริ่มจากความอิ่มกับแล้วกันนะฮะภาวะที่กำลังตะกวอยู่อยตอนเนี้ย ใจเต้นช้าลงนิดช้าช้าก่อกก็ต้องชาก่อนเนี่ยนะช่วงที่มาแหลกคืองานะโอเคพอเราอยู่กับความจริงมันไม่มีอะไรหลอกเราได้ที่ผ่านมาเราบอกว่ามันหลงทางมันปิดพลาดมันอะไรก็แล้วแต่มันเพราะว่าถูกความรูปแห่งทีดหลอ แต่ถ้าหากว่าเรากําลังอยู่กับความจริงณวิานาทีนี้ที่เกิดขึ้นในกายที่เกิดขึ้นในจิตมันไม่มีอะไรผิดไปได้มัน ม, มีมันไม่มีการปรนะุงแต่งในเชิงที่จะทําให้ออกนอกธารมไปได้นีในระหว่างวันนี้นะมันมีอาการคิดมากอยู่คิดเองโดยเองเป็นเป็นพวกชอบคิดแล้วก็ตอบตัวเองและบางทีมันได้สม อ, อ, องที่ยินใจเ้วย เพมันคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลเรารู้สึกว่าตรงี้เราต้องดึงไปนะมคิดได้แล้ว่าพแบบนี้ก็ดูได้เหมือนกัน ค, คือพอรู้สึกอิ่ใจมันจะรู้สึกมีตัวมีตน ม, ม, มีความชัดขึ้นมามีอาการแบบนึงขึ้นมาล้วกฏเด็กแต่เมื่อกี้พอพูดติดพอหมพูดติดนี้ยเห็นไัมรู้สึกมันเบาลงตอนตอนอาต า, า, ตาบางลง ตอนนี้เบวแล้วเมื่อกี้นี่เจอด้วยความร้อนด้วยตอนนี้ความร้อนหายไหมยังยางเหลือนิดหนึ่งครับตรงนี้คือความของสติที่มัาตรงกับความเป็นติมในปัจจุบันมันเปิดจิตของเราให้รู้สึกถึงอะไรที่กำลังปรากฏอยู่ต่อนนี้ตอนนัเหมือนแค่เวลาที่อในชีวิตจามันเราจะรู้สึกว่าพูดันง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆนะบางนี คนคนส่วนใหญ่เข้ามาเนเราจะคิว่าที่นี่มันคิดไม่ได้ขนาแล้วมันจะมีความสุวใหญ่ๆขึ้นมาเราก็เห็นเนี่ยเห็นไหมพอเห็นปุ๊บมันนึกออกตัวมันเบาลงมานี้เหมือนกันถ้าเราทําได้นจุดเกิดเหตุมัได้ยิ่งเบากว่านี้อีกไม่มีนึกออกแล้วเบาแต่ถ้าหากว่าณเวลานั้น มันเกิดของจริงขึ้นมามันเกิดหน้าตแบบนี้ไึ้นมาของเราเนี่ยจะแปดสิบเปอร์เซ็นของคนี่เข้ามาคุยด้วยเนี่ยเราจะรูปดาวคือบางทีไม่ได้ลูปดาวแวาบบชัดเจนมืดๆนะแต่ว่าจะรู้สึกว่านี่คิดให่ได้เลไาไห่แล้วเราจะไป่พรอมที่จะฟังเขาไม่ได้เหมือนมีอะไรต้อองอยู่เราจะรู้สึกเหมืนอนมีกำแพงอะไรบางอย่าง กัรนระหว่างเราเาราพอรู้สึกถึงกำแพงได้โอ้นี่ตอนนี้ตอนนี้ว่ามานะผ่า น, มามานาไม่ได้รู้สึกว่าจิตปล ong าพึ้นเหมือนในตอนนี้ที่รู้สึกถึงความปล ong เาคือนี่คือของจริงไม่มีใครมาหลอกได้แม้กระทั่งความปูนแสกทางจิต ข, ของเราเองเวลาอยู่ระห ว, ว่างวันนั่นแหละเป็นช่วงที่มนุษย์นะหลอกกันแส่กันโดยไม่รู้ตัว โดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามดูมันจะมีคนบางประเภทเกิดมาเพื t í, t pass, ่อทําให้เรารู้สึกว่าสูงขึ้นแต่ในทางตรงข้ามมีคนอีกกลุ่มหนึ่งทําให้เราเฉื่อยล้าสุดไเราอยู่ที่เตี้ยๆลำกั้มไปไม่ถึงไหนสีกแล้วก็พยายามจะแข่งกับเขาแต่ก็ไม่รู้ยะเาอะไรอะไรมาแข่งเนี่ยภาพนำใจที่มันประโถดเนี่ย ไม่ทำให้เราไม่เยื่อะไรน้องไป็นจากความรู้สึกว่าจากอากาศขึ้นมัถึงมังม่นตรงนี้เนะี่ยจุดเริ่มต้นที่มนะอกออกอไปถูกต้องแลครับก็ตอนนี้มีทางทางแล้วครับก็คือมันรู้สึกว่ามันออกทางตาแรงมันทํทำให้มันไม่ไม่ไม่ไม่กลับมาของตัวออกไปที่ทางสายตาไม่เป็นไรครับตอนที่มัน ก็ไปแรงๆเนี่ยนะให้มองว่าใจของเรามันย really? ึดมันยึดข้างนอกมากนิยามมันไม่หมนแบบแปะป้ายว่ามันยึดข้างนอกมันยึดข้างนอกคือทั้งหมดที่เรารู้สึกณขณะนั้นเนี่ยแปะป้ายไว้ว่าเนี่ยยึดข้างนอกมากน่แล้วเสร็จแล้วพอรู้สึกถึงอาการอะเนี่ยหน้าตายยึดข้างนอกมากมันเป็นแบบนี้แปบหนึ่งไม่ไรู้สึกบ้านไป เนีใใ no ่ยค้ๆ้ๆแต่ตนนี้ยังไม่ใช่ว่างนะแต่ว่าคล้คอย่างเนี้ยคือมันเหมือนกาเริ่เลื่ออกไปตามสายตาตอนโรเซนไม่กลับไปยูตัวไม่กลับี้รู้สึกถึงท่าหนักรนามาสำรวจนะเท้ามันมีอาการงุ้มอยู่ไหมมือมีอาการเป็นแน่นอยู่ไหมถ้าหากว่าเป็นญาตเป็นตัว ใหญ่ๆแต่หลายจุดสลับกันแต่ยกจะยังไม่ทำแผ่นหมด ถ, ถ, ถ้าหลัพยายามเอาทั้งแผ่นเนี่ยไอ้ตรงนั้นมันจะสับไปสับมาสับไปสับมาเพราะว่าไม่มีหยุดยืนชัดเจนผมให้ไล่ขึน้นมาถางเท้าเนียมันวางอยู่กับพื้นเนี่ยชัดเจนพอแน่ใจว่ารู้สึกถึงความว่างของเท้าแล้วค่อยมาดูความว่างของเธอแล้วก็ค่อยมาดูความว่างของใบหนะ อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นทั้ความรู้สึกที่เป็นสติมาอยู่กับสนื้ตัวมันเกิดขึ้นทั้งตัวไปเองโดยไม่ต้องพยายามใดไม่ไม่ต้องไปพยายามจินตนาการเนี่ยตอนนี้รู้สึกถึงลมหายใจแบบเื่อๆใช่ก็ยอมทำตามติลมหายใจนี้มันเปื่อๆเพรามันไม่ได้รอการเร่งรองทางกายที่แท้จริงมันไปเร่งขึ้นมา ปล่อยธรรมชาติที่สถามตัวเองถามกายแล้วกายเนี่ยไม่ตอบมาคือต้องฝึกก็ที่ามาทุกคนพยายามฝืนตัวเองเพื่อที่จะให้ได้อะไรอย่างหนึ่งที่ต้องการเสมอฝืนความจริตนี่มาตุดเจริญสติเนี่ยคือการยอมรับตามจริงซึ่งมันงโง่โง่วหนระแส จริงๆนะตามคอมเมนต์เซนตยอมรับคามคิดให้ได้ไง่ายแต่พี่แท้ไม่ใช่ยากที่สุดในโลกเลยโอเคเอาที่พ่อคงเหลือแค่ไม่กี่คนแล้วนะคระับผมดิฉันไม่มีอะไรจะถามค่ัเพราะว่าความฟังจากพี่ๆน้องๆทุกคนแล้วอ่ะรู้สึกว่าเราเบาแรงไปเยอะเนาะเนาะเราเรามีความรู้ การเรามีเรื่องที่เจพิพาร์ทายการอาจจะไม่ได้ต๊ะเต๊ะแต่ว่าเราก็มีคนละนิดคนละหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งพอฟังแล้วบางเรื่องมันก็สามารถมาปรับได้ประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าอยาเป็นปัญหาของตัวเองอนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนรู้แต่ไม่ลงมือทแต่คะ น, นี้เราก็รู้แล้วาเราต้องลงมือทํามันก็เลยเหมือนกับว่าเราจะต้องฝึกตัวเองนะให้ทําให้ทําโกรธรู้ว่าโกรธร้อนแล้วก็รู้สึกแสบรู้สึก Mm hmm. แต่ว่าเรา mm hmm. เราแบบเหมือนบอกว่าเราก็ยังมีความที่เราก็อยากให้เขารู้สึกดีๆเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเราจะไม่พูดแล้วจะไม่ทาได้แต่ว่าถ้ามาในเรื่องปฏิบัติเนี่ยอยากจะหันหน้าเข้ามาทําปฏิบัติมากขึ้นเพราะว่าเคยมีความทุกข์ที่เราว่ามันมีเคย่นมาแล้วนะแต่ว่าคือเราก็ไม่ได้แบบพิการตาบอดอะไรเงี้ยคนที่เขาเป็นแบบนั้นเพราะอาจจะรู้มากกว่าเราอีก แต่สิ่งที่โดนอ่ะสำหรับเราในตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันในไลฟ์สุดในชีวิตแล้วเลยค่ะก็หันหน้าเข้าหาําไมอีกครั้หนึ่งแต่เหมือนแบบว่ามันไม่มันพอเราพอเราหลุดจากู้น้ำเราก็แบบเกินไปหลุดกระเรินกับทางโลกอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนช่วงปีสองปีนี้มันจะเหมือนมีมีสัญญามีคนเอยมาพูดอะไรทําไมยังไงที่ลุงให้แบบเข้ามาพยายามแตนเราปฏิบัติธรรมมากขึ้นก่อนที่มันจะสายไปก็เลย ดีนดีใจด้วยนะที่ที่เหลือก็แค่ดูว่าบางทีเนี่ยใจของเรายังสับไปสับมาเรื่องเรื่องนี้ไปเรื่องนี้มานะมันเหมือนแบบว่ายังยังคิดสเรื่องนะสลับไปสลับมาแบบมัวมวอยู่ยังไม่ไม่จัดการเรื่องไหนเรื่องหนึ่งให้เสร็จซะก่อนนะก็ลองฝึกลำดับพาราลิตแล้วก็ จะต้องโฟกัสโฟกัสจริงๆไม่ได้หมายความว่ามือไม้เท่านั้นนะแต่ใจด้วยเพราะบางทีเนี่ยใจเราทํางานไปมันใจไปคิดถึงไปบ่วงอีกอันหนึ่งนะตัวนี้เนี่ที่ทำให้สติมันไม่แข็งแกร่งบางทีสมาธิมันไม่สามารถตั้งมั่นอยู่ได้ด้วยจิตแบบนี้เราต้องฝึกตั้งแต่อยู่ในระหว่างทำงาเลยนะโอเคแล้วก็ ก็ก็ปฏิไปมาใช่ใช่ก็ที่พี่เคยมาครับทีนี้ก็ลองเจริญสกิลการที่พี่ฝึกแนะนนครับทีนี้เราก็เห็นเป็นทักษะเป็นกว้างขึ้นแต่ว่านอกเหนือจาแดงมันเปิดกว้างขึ้นครับนอกเหนืจากขอบเขตของโลมหายใจเนี่ยมันยังมีอย่างอื่ด้วยนะคก็คือเห็นลักษณะของใจที่ปกติก็โล่งแล้ก็มีอื่นๆด้วยทีนี้จากเรื่อง เจ็ดเรือนมารู้ธรรมนครับเป็นสือที่ที่ตู่แนะนําว่าให้รู้ชักเป็นสนเต็ปต่อเต็ปไปนะครับทีนี้พอรู้ในขั้นนี้ปุ๊บเรา ม, มีมีเรื่องเรื่องของจิตเนี่ยในขั้นต่ตอๆไปไหมเห็นแบบนี้เราจะไปโฟกัสตรงไหนก่อก็คือกลับมาที่รวมเป็นใจอย่างเดียวหรือว่าต้องดูลักษณะของจิตตอนด้วยเอาเฉพาะตัวดีกว่า คืออย่างเขียนที่เจ็ดเือนเนี่ยมันมันไม่รู้จะเขียนยังไงให้ครอบคุ้มึแต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นกอนที่ผมจะเป็นคนที่ชอบแบบพออีกวันพี่จะเอาทุกอย่างมาไว้แบบทุกจะารอย่างทางในลูกานเนี่ยก็มาจากแนวคิดเนี่ว่าวจะเหมาให้ได้ทุกคาแรคเตอร์ของคนอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆเป็นไปไม่ได้หรอา่าวาดตรตัวดีกว่าคืออย่างของเราเนี่ยตอนมันดูเท้า ก็ไม่จะสบายขึ้นการดีเนี่ยมันก็ดูุ่มันหายสงสัยทันทีแต่วันดูลมหายใจมันอาจจะแคบแต่บางคนเนี่ยมันมอมไปกับลมหายใจแต่งเราไม่เหมาะได้ขึ้นมาจากท้ามือแล้วก็ไปถามอาการทางกายว่ามันกอแล้วหรือยังที่จะลากเท้าอย่างี้มันจะค่อยเปงไปตามหลังเราจะก้าวนานป็นเ่ยเนี่ยปิดความจริงมันไม่แคเมื่อก่อนทน่ ก็คือร no, no. ู้รู้ที่หลมอยงดวรู้ที่เทาก่อนนะฮะไล่ขึ้นมายก่อนไล่ก่อนแล้วก็จับลมได้พอพอจับลงได้ตอนนี้มันจะเริ่มรู้สึกถึงอีนิยมบนปัจจุบันที่มันเป็นที่ต่้งขงนะแต่ก่อนมันไม่รู้สึกเนี่ยมันจะแค่เป็ที่ลงอย่างเดียวก็คือรู้อย่างนี้ไป็นต่อส่วนเรื่องจิตเนี่ยจะค่อยค่อยสักตเดี๋ยวมันมันจะก็ต้อเห็นเพราะจิตอันนี้มันจะพอมันเปิดกว้างแล้วเนี่ยเพรมันเป็นง่ายจะมันค่อยค่อยเห็นเอง ก็คือมีอะไรให้รู้ตอนนั้นเราทำงานแล้วก็ดพิษลงควานทํางานเราแบบเหมือนโปรกรมโปรแกรมทางานก็จริงแต่ว่ามันจะขึ้นต่างนี่ยวันวัมันจะเมือมันเบือยไปเฉยๆมันเป็นพวกแบบมีสมาธิการทํางานก็จริงแต่ก็พร้อมที่จะเมือพร้อมที่จะลอยหายไป บางรั้ที่เนี่ยกลังมีสมาี่อยู่กับเริ่งหนึ่งเนี่ยมันรอยหายไปเฉยๆกระดูกว่าเนี่ยอาทีนนะว่าพอมันรอยหายไปเนี่ยอาจจะกลับมาที่เท้าก็ได้แล้วก็มันจะได้มาอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะของเราตอนที่มันลอยหายไปรื้สดแม่มันกลับมายากรู้สึกยังไงนั่พราะ่มันทำโดยด้วยชินคือโฟกัสบวชจะโฟกัสก็โกาส แล้วระหว่างโปกรมัเองมันลอยหายไปมันเหมือนกับเปมีโลกอีกโลนึ่งเลยรู้ตึงไหมมันเหมือนลุดไปอยู่อีกโลคหนึ่งเพราะมันตอนนั้นิกลัเข้มขนเนี่ยแต่ถ้ามันลุดไปอยู่ในอีกโรคหนึ่งด้วยความเข้มข้นแบบนั้นมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกาบเราว่าสัาไอะไรอยู่ตรงนั้นแต่ถ้ากลับอยู่ทีเท้าตับระโยู่ความผิวของมือ พราเดี๋ยวกิดเขามองผิดขึ้นมาเพรากลังเงินๆอยู่เนี่ยเจอมาหลายปีคนเนี่ยบกไม่ดีเลยเนี่โดที่ทํามาที่แบบจบเลยนะครู้สึกว่าเราดีขึ้นตั้งเยอวตั้งแยะเนี่ยมันหายเลยกับมาพูดทาเดียวนี่ยาทางคำดีกว่าเอะมองไปตรงไหน่ยมองไปตรงไหนตอนนี้ที่ปฏิบัติอยู่ถูกไ้ยคะ บ้ n นอะไรนี่การ e พิ่มเต คือต้องปปฏิบ so <h ắc> like like ัติทุวันจะได้ไม่อม่อไปแล้วมันเคยวง่อ่อมันค่อยๆดีขึ้นในทุกฐาแแล้วแต่ไอ้อาการม่วงอาการอะไรงีมันไม่ไติตามเป็นเงาแปลอย่างเงียวงมากงน้อยหรือวเราเริ่สึกถึงกำลัง ใหญที่มันมีมากมีน้อยมีเข้ม้นมีเบาบางอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดูโดยความเป็นของไม่เที่ยงไปแลวกันนะปโ้เลว่าจะเอาความก้าวหน้าเอาความต่อเนื่องดีกว่าแขกเรืความต่อเนื่องมันก้าวหนอีอแล้วนะหลอเลือกคือที่ทำทุกวันนี้ก็ทไปได้่อยๆใไปเลอกไดเรื่อนะีชีวิตเดียวเนี่ยแล้หนึ่งใช่ทีก็ไม่ได้แย้บอกย ว่าถ้าได้อาหารตอนตายนะมันเท่าเท่ากับที่ได้อาหารมาแล้วนับร้อยปีมันไม่มีอะไรแตกต่างคือชีวิตหนึ่งเนี่ยถ้าใช้เตที่กับตรงนี้ยังไงมันต้องดีกว่เอาละคิดว่าคงจบกันเท่านี้นะครับคืนนี้คะเดี่ยวี่มาใหม่ค คือคือเป็นคนที่เนีชอบคิดเนื้อว่าชีวิตนี้มันจะไปโดดเดี่ยวเศร้าคือปวดร่างกายและใจนะเวลานี้คือว่ายาจะทํำยังไงที่ว่ากายและใจจะดีขึ้นกายก็เพิ่งจะต้องพี่ของพี่นะนะพอพี่ตั้งโจทย์ว่าทําอย่างไรมันจะดีขึ้นงานยากแล้วงานดีจำไหมนะ keyword นะครับ แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้เรามีสติสามารถที่จะยอมรับได้ว่าลมหายใจกําลังเข้าหรือออกใจเรากําลังฟุ้นงซ่านกดหู่หรือว่ามีความสว่างมีความเย็นแค่นี้ก้าวหน้าแล้แค่นี้ดีขึ้นแล้วคือพูดง่ายๆว่าพี่อย่ามองชีวิตเป็นภาพใหญ่ขอให้มองหัดมองชีวิตเป็นภาพเ ล, เล็กแค่วินาทีนี้ว่ามันกําลังเป็นยังไง แล้วมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆตามลาดับของมันเองใจก็มันเหมือนเราอยู่ตัวคนเดียวเวลานี้ตัวคนเดียวไม่จริงเวลาที่พี่มีความรู้สึกถึงพระพุทธรธรรมต่ 8, มันอบอุ่นแต่นั่นคือพี่ตาเงไปสวนถอนก่อนสวดครับเห็นไหมพอพี่สวดถอนเนี่ยมันรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ตัวคเนเดียวนะบางคนเนี่ยอยู่ท่ามกางเพื่อนูกเป็นสิบสิบ แต่รู้สึกคนเดียวนี่แสดงว่ามันไม่ได้อยู่ที่วัตถุภายนอกไม่ได้อยู่ที่บุคคลจะมีแม่ล้อมหรือไม่มีแม่น้องจะมีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวมันอยู่ที่ว่าใจเราฝากเี่วกับอะไรถ้าพีรู้สึกอโกรธใจนอนสวดมนต์ก็สวดบ่อยๆสวดมาละเจ็รอบสวดจิตวิโสไปแค่นั้นนะแล้วเสร็จแล้วก็ดูว่าแต่ละรอบที่เราสวดจิวิโสเนี่ยใจเราอย่งเข้าอยู네่หรือปล่า ใจเรารู้สึกอบอุ่นหรือว่ามีความหนามีความสดเดี่ยวหรือมีพระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนเป็นเป็นใจนิดนะถ้าหากว่ารอบไหนเรารู้สึกเศร้าไม่ต้องไม่เสียใจดูรอบใหม่มันแตกต่างไปไหมนี่เขาเรียกว่าดูจิตเป็นรอบๆแต่เราต้องของการสรวจนะของพี่เนี่ยถ้าพี่เข้าใจตัวเองนิดนึงนะว่า ความโกรธความโกแจ้งเราไม่ได้เกิดจากการมีใครอยู่ด้วยที่ดูดีๆนะครับคือต่อให้มีใครอะไรแตกแค่รู้สึกว่าเขาไม่แคร์เรา mm hmm. เขามาเพิ่มความหนาวไม่ได้ ม, มาเพิ่มความโกรธแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวตามลำพังแล้วเราสวดด้วยความแคร์กับพ mm hmm. ระเจ้ารู้สึกโภคุณทันทันทีพระรบบอกว่าพระเจ้ามาอยู่ใกล้ mm hmm. รู้สึกสบางขึ้นนาทีรู้สึกสบายใจขึ้น นี่ตัวนี้เป็นตัวยนืนยันว่าอบอุ่นหรือโดดเดี่ยวหนเะห<ะ>งาหรือว่ารู้สึกว่ามีเพื่อนมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นมันอยู่ที่ใจเราฝากไว้ที่ไหนโอเคครับโอเคครับงั้นก็มากันแบบนีเลยสวัสดีครับขอบคุณค่ะร